อาจารย์ครับการนรมัสการครับเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัจนาธรรมครั้งที่ร้อยสิบสี่แล้วนะครับอาจารย์ครับเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าก็จะอาสาละหบูชาเข้าพรรษานะครับอาจารย์พวกเราก็ทําทานนักษาศีลกันมาโดยตลอดครับก็เลยอยากจะกราบเปลี่ยนถามอาจารย์ว่าเราจะเข้าพรรษาแล้วเราจะฝึกจิตตภาวนาเราจะต้องฝึกอย่างไรครับอาจารย์ครับ การภาวนานี้ก็คือมีแบ่งไว้เป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาสมถภาวนาคือการฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งอยู่ในความสงบที่เรียกว่าสมาธิหลังจากถ้าเราได้สมาธิแล้วเราถึงไปขั้นที่สอง คือการสอนใจให้มองโลกให้เห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นจริงของโลกว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอ น, นิจจังทุกขังของนัตตาโลกธรรมแปโลกธรรมสี่ราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆรวมไปถึงขนันห้ากายเวทนารูปเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณสิ่งเห น, นี้ล่วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้น ตนต้องรอให้ผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนคือขั้นสมนถมนะภาวนาต้องทำจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ชาญสี่ขึ้นไปก่อนเพื่อจะได้มีอุเบกขาในใจอุเบกขานี้คือการวางเฉย ก, กับอารมณ์ต่างๆกับสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่มีอุเบกขานี่ย ไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้เวลาปัญญาสอนให้ปล่อยวางแต่ถ้ามีอุเบกขาก็จะปล่อยวางตามที่ปัญญาสอนได้ในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติยังควรจะเน้นที่สถมถทานภาวนากันก่อนไม่ต้องไปกังวลกับวิปัสสนาก็อาจจะเป็นเหมือนกับถ้าหลักถ้าเรียนในมหาอะไรก็คือปีหนึ่งเอาแต่ แต่สมถภาพ n นะให้จบปีหนึ่งก่อนแล้วปีสองค่อยไปเรียนวิปัสสนาพอหนะเหมอนหมอเรียนแพทนก่อนที่จะเข้าไปถึงกายภาพได้เนะี่ยหมอต้องเรียนวิชาอื่นก่อนในชะ่ไก่อนที่จะไปผ่าศพได้นะี่ต้องปีสามปีสี่ไปแล้วนี่งไงมันก็มันก็เหมือนกันทางโลกเราไม่เข้าใจคิดว่าเราสามารถปฏิบัติ นั่งปุ๊บได้สมาธิปั๊บไปไวิปัสนาปับ๊บบรรลุธรรมทันทีมันมันก็เลยทำให้มันไม่มันไม่เป็นไปตามที่คาดปฏิบัติเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ยังไม่ได้ผลทันทีเพราะเราไม่เอาเป็นขัน้นเป็นตอนทำให้มันเป็นสั์เป็นสว่วนเป็นสิ่งแรกด้วยที่เราต้องการจากสมาธิเป็นพลังพลังหยุด ใช่เราจะหยุดกิเลสได้มันต้องมีสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้เราจะมีปัญญาเรารู้ว่าความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีเพราะมันเกิดแล้วเราหยุ ด, ม, ดมันได้ไหมหยุดไม่ได้เพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีไม่มีกําลังเห็นบื้องตอนนี้การภาวานาเนี่ยมันจะเน้นอยู่ที่การเจริญสมถะภาวานาการ หยุดจิตทําจิตให้เร่งใหสสงบให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาให้สัตว์ต่ว่ัลุหยุดความคิดปุงแต่งทีนี้การภาวนาที่จะให้เกิดผลนี้อยู่ที่อะไรก็อยู่ที่สติเนี่ยสติเนี่ยแหะเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ที่จะมาหยุดความคิดหยุดจิตได้จะเรียกว่าสติเป็นเบรกของใจก็ได้ เป็นหมือนกับรถยนต์ที่ต้องมีเบรกรถยนต์ที่วิ่งอยู่นี้ถ้าเราต้องการจะหยุดรถยนต์เมื่อมาถึงสี่แยกไฟแดงเราก็ต้องเหยียบเบรกถ้าไม่มีเบรกเมื่อเบรกเสียมันก็ต้องฝ่าไฟแดงไปซึ่งก็จะมีโอกาสที่จะชนกับรถคันหนึ่งใจก็เหมือนกันใจนี้ไม่เคยวิไม่เคยสงบเขาก็ไม่มีสติ สตินี้มีกําลังน้อยมีบ้างแต่มีพอที่จะควบคุมจิตในระดับของสี่ได้ไหมสำหรับบางท่านพอจะทาําบาหรือวเป็นกายกระทาบาป ก, ก็มีสติขยุ่นได้มนุษย์เรานี่มีสติในระดับสี่ห้าได้รักษาสี่ห้าได้สามารถรักษาสี่ห้าสามารถรักษาระดับความเป็นมนุษย์ได้เพราะมีสติระดับ อาจนนจะให้มีสติระดับพรมพรมก็คือการเข้ารูปประชาญก็จะได้รูปประพรมการเข้าอารูปประชานก็จะได้อรูปประพรมการที่จยากมีสติระดับรู ป, ร, ปรูปประชานะอรูปประชานนี้มันต้องมีสติที่ต่อเ น, นื่องตลอดเวลาสามารถที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งได้หยุดการกระทำต่างๆของใจได้ สั่งให้ใจนั่งเฉยๆเข้าสมาธิอยู่ในสมาธิได้เป็นชั่วโมง อ, อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีสติมีสติพอที่จะหยุดความคิดได้าการภาวนาเบื้องต้นกงคือการเจริญสติในสติประฐานสูตรพระเจ้าเราสงสอนถ้าเรายังเคลื่อนไหวอยู่ยังมีการกระทำการงานต่างๆให้มีการยากรตาสติ ให้ไม่เสติจดจอ่ออยู่กับการกระทําการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายคือให้ใจเราใช้ร่างกายนี้เป็นที่ผูกใจไม่ให้ใจลอยไปตามกระแสะอารมณ์ต่างๆที่มีไหลเวียนอยู่ในใจและมีที่มาจากภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าพอเราไปสัมผัสรับรู้รูปเสียงกิ่นรสผดผภานี้ใจก็ไปแล้ว เราคิดถึงรูปนั้นเสียงนั้กลิ่นนั้นวิพากวิจารไปต่างๆนานาอันนี้เป็นการทํางานของดูใจคือความคิดปุ่มแต่งหรือถ้าไม่มีรูปเสียงกลิ่นแล้วก็มีทำมีอารมณ์ต่างๆสัญญาอารมณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตหรือความห่วงใยความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตอะไรต่างๆนี้มันก็จะมาเป็นตัวที่จะเดิมให้จิตนี้ ไหลไปตามอารมณ์เหล่านี้คิดปรุงแต่งไปกับอารมณ์เหล่านี้ถ้าไม่มีสติยับยั้งไว้เน้นถ้าไม่มีสติเราก็ต้องหาที่ผูกใจไว้ไม่ให้ใจไหลไปกับอารมณ์ตา่างๆก็ให้มีสติรู้อยู่กับร่างกายเพราะร่างกายนี่อยู่กับเราตลอดเวลาเราใจนี่อยู่กับร่างกายตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยได้อยู่อย่างตลอดเวลา มักจะไปอยู่กับเรื่องอืมักจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่อนั้นเรื่องนี้ทั้งที่ใกล้ที่ไกลนั่นนะนานๆก็กลับมาดูร่างกายทีว่าเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ได้อยู่แบบตลอดเวลาเหตุผาหมายขรงการทาสมาธิเพื่อให้จิตสงบนีน่ต้องผูกใจให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาเลยตั้งแต่เรียตาขึ้นมาตั้งแต่ถึงขึ้นมาเลยให้ผูก ใจว่าอยู่กับร่างกายเดินตาขึ้นมาก็ดูตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหนให้รู้แล้วกำลังอยู่ในท่านอนแกำลังลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนนั่งเดินไปทําภารกิจเข้าห้องน้ำํำอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันให้อยู่กับภารกิจของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าให้ใจไปคิดถึงอดีตเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาหรืออนาคตอันนี้มันพูดถึง การเจริญสติแบบของผู้ที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับภารากิจทางโลกนะเช่นนักบวชเนี่ยเป็นพระเนี่ท่านจะไม่มีภารากิจอะไรมากที่ต้องคิดเนี่ยที่อย่างมากก็คือตื่นขึ้นมาแล้เตรียมตัวไปบินบาตก็มีเท่านั้นในขณะที่จะเตรียมตัวไปบินบาบก็มีสติขขอยู่การเตรียมตัวลุกขึ้นมาถ้ายังไม่ถึงเวลาบินบาต ท, ท่านก็นั่งสมาธิไปก่อนก็นได้ตื่นขึ้นมา พระตื่นแต่เช้าพระให้พระตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามนะหนบ่งระบานนตร้องหกโมงโยมแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมไปนั่งสมาธิก็ใช้อานาปนานสติให้มีสติดูที่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมถ้าไม่นั่งสมาธิจะเดินจงกรมก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูที่เท้า ร่างกายเดินไปก็เท้าเท้าซ้ายเท้าวขวาก็เฝ้าอยู่ที่เท้านั้นและแล้วก็มองข้างหน้าดู ว, ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าผู้ที่จะได้ไม่ไปเหยียบไปไปชนนะไม่เช่ดูแต่ที่เท้าอย่างเดียวสายตาจะทอดลงข้างหน้าจะไม่ปล่อยให้สายตาเพ่นพ่านไปมองต้นไม้ใบหญ้าภูเขาหรือท้องฟ้าอะไรต่างหาใจมี ให้ร่างกายนี้เดินอยู่ในทางจงคมแล้วก็ให้ใจเฝ้าดูอยู่ทุกระยาบุตรจนกว่าจะถึงเวลาที่จะไปทํากิจบิตรบายก็ออกจากมุติไปสภายบาทไปแล้วก็มีสติอยู่อนการเดินไปสภายบาทไปเมื่อถึงที่สาราก็ไปจัดที่นั่งอะไรก็มีสติอยู่ภารกิจที่ทําอยู่ตลอดระยะเวลา นี่นี่คือการการเจริญสติแบบแบบมืออาชีพเนี่ยพูดให้ฟังนี่เ่นอนญาติโยมสัญญาณยังเป็นมือสมัครแน่นอยู่ก็ขอภอภัยด้วยแต่ต้องต้องเล่าให้ฟังเพื่อญายมจะได้เห็นภาพของการเจริญสติอย่าง <c oughs> แท้จริงว่าเขาเจริญอย่างไงเอามาเปรียบเทียบอยู่กับตัวเราว่าเราเจริญสติอย่างไรแล้วเราถึงจะรู้ว่าทําไมผลที่เราผลที่เราได้จากสมาธิมันเป็นอย่างไร แารจัดวางนั่งสมาธิมันเป็นยังไงมันแทบจะไม่ได้เลยเลยนั่งแล้ได้แต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความคิดลบเล่าอยู่ลบล่าใจอยู่ตลอดเวลานั่นก็เพราะว่าญาติโยมไม่ฝึกสติ ก, กันเลยพอจะนั่งถึงเวลานั่งสมาธิก็จะมานั่งกันเลยแต่ใจยังไปติดอยู่กับเรื่องที่เพิ่งทํามาจะไปทํางานมีงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นนมันยังฝังอยู่ในใจ พอมานั่งสมาธิก็ยังคิดถึงเรื่องงานอยู่อ น, นี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังวิธีการที่จะภาวนาอย่างได้ดผลเต็มที่ต้องแบบว่าไม่ต้องมีภารกิจอย่างอื่นซึ่งอาจจะทําได้ในวันหยุดทํา ง, งานถ้อาอยากรู้หยุดทํา ง, งานวันนั้นก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับภารกิจก็ อ, อาจจะทําตัวเหมือนกับนับบุญได้เฉพาะวันหยุดทํา ง, งานมีภารกิจเพียงแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เท่านั้นเองนอกจานั้นก็เอาเวลามาเดินจนผมนั่งสมาธิเจันลสติกันแนั่นคือป้าหมายแรกต้องเจริลสติตลอดเวลาโดยใช้หลักใช้กายกตาสติดอยู่การเคลื่อนไหวยูการ ก, การะทําต่างๆของร่างกายผูกใจไว้กับร่างกายไม่ให้ใจไปที่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คน น, นั้นคนนี้ <c oughs> โยเว้นถ้ามีกตามจําเป็นก็ถ้าต้องคิดก็หยุดอยู่การกระทำของร่างกายแล้วก็มีสติอยู่กับความคิดคิดเท่าที่จําเป็นที่ต้องคิดเมื่อคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วกลับมาบทำธุรกิจทางร่างกายต่อไปร่างกายทําอะไรก็เฝ้าดูร่างกายทําไปจนเมื่อเราไม่มีอะไรต้องทนะําแล้วเราก็มานั่งสมาธิ เวลานั่งสมาธิก็เปลี่ยนจากการดูร่างกายมาดูลมหายใจก็ออกแทนลมหายใจดูการดูลมนี่จะเหมาะแต่ช่วงเวลานั่นะเพราะลมมันของละเอียดเราถ้าไม่เข้าใจบางทีเดี๋ยวทำอะไรก็บอกดูลมช่วงนี้ไม่เหมาะดูการกระทําดีกว่าถ้านดูลมไปเราบางทีไม่ได้ดูการกระทําหรือการกระทําก็ผิดพลาดได้่ดูการกระทํา ขับรถก็ให้ดูการกระทำํำดูการขับรถเดินไปไหนมาไหนก็ดูการเดินรับประทานอาหารก็ดูการรับประทานอาหารให้ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทํานแบบของร่างกายพอมานั่งสมาธิก็เปลี่ยนจากการดูร่างกายมาดูลมาหายใจเข้าออกที่ปาจมูกเรีว่าอานาปนสติ ถ้าสามารถทําอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิใจไม่เผลอไม่ชั่ววัตไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงแม้จะมีความคิดก็ไม่ไปสนใจไม่ไม่ไปตามคิดกับมันไม่มีอะไรมามามาดึงก็ไม่ไปอาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อาจจะรู้สึกคันตรงนั้นคันตรงนี้อะไรก็ไม่ไปไม่ยุ่งกับอะไรตรงนั้นให้อยู่อยู่กับลมได้อย่างเดียวให้ได้อย่างต่อเ น, นี้อ ถ้าทาได้อย่างต่อเ น, นื่องภายในห้านาทีสินาทีใจก็รวมได้ใจก็เข้าสู่ความสงบนิ่งหยุดคิดเพตอะนั้นก็ไม่จำกควบคุมใจแล้วมันมันนิ่งมันไม่ดิ้นมันไม่อะไรแล้วมันไม่ไปหาอะไรแล้วมันไม่คิดปรุงแต่ไม่มีอะไรตอนนั้นก็เพียงแต่มีสติเฝ้าดูมันให้มันนิ่งไปนานๆนนนนอันนี้การใช้กายกตาสติกับพุทธานะกั บ, ก, บกับอนาปราสติ สำหรับท่านที่ชอบใช้คําบริกรรมพุโทโธที่เรียกว่าพุทธานสติก็ใช้แทนกายกัตตาสติใช้แทนอนาปนานสติได้ใช้พุโทโธอย่างเดียวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่ว่าทำภารกิจอะไรก็พุโทโธไปเรื่อยหย่บปล่อยให้ใจไปคิดแล้วพอถึงเวลามานั่งสมาธิก็พุโทโธต่อไปีอันนี้ใช้แต่พุโทโธอย่างเดียวทั้งขณะที่เคลื่อนไหวและขณะที่นั่งนั่งสมาธิเดินเดินกลมก็พุโทโธ นับประทานอาหารกับพุทโธอ่านน้าขับพุทโธนั่งหน้าไบ่งฟันขับพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ก็เป็นวิธีจารัสติอีกแบบที่เรียกว่าคุทธานุสติก็สามารถเรื่องเอาได้ตามความพอใจแต่เรื่องที่ใช้พุทโธกับอานาประนสตินี้มันก็อาจจะซ้ำเหมาะสําหรับร บ, บางท่านที่ต้องการจะใช้เป็นใช้พุทโธกํากับกั บ, กบลมหายใจเข้าออกด้วย พุทธเข้าเวลาหายใจเข้ า, าก็ว่าพูดหายใจออกก็ว่าโทอันนี้ก็ทําได้ไม่ห้ามแต่สำหับเราเราคิดว่ามันยุ่งยากถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึง่งมันจะสบายกว่าถ้าจะพูดโทก็พุทโธไปไม่ต้องมากังวลกับลมถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพูดโทแต่ถ้าดูลมไม่ได้ต้องอาศัยพุทโทช่วยเด็งไว้อยู่ก็แล้วแต่อันนี้ก็ไม่ห้าม ในหลักแนวที่เราปฏิบัติส่วนใหญ่เราจะใช้กายกตาสติกับอ น, นาปนาสติกเป็นหลักผู้โทธและคำวมการมันจะใช้ในบางช่วงที่ขณะนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บปวดแล้วมันไม่ยอมอยู่กับลมเนี่ยบาทีก็ต้องใช้คําบริการมาดึงให้มันอยู่ให้ดึงให้มันไม่ให้ออกไปหาความเจ็บปวดนั่นคือ การภาวนาเบื้องต้นเพื่อให้จิตรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเบื้องต้นเวลารวมครั้งแรกๆมันจะยังเป็นคั้นวิกาสมาธิมันจะสงบพีฆะงูแงลแบเนื้อเชื่อกฟ้าละนิ่งปุ๊บแล้วก็ถอนออกมาเพราะกํากลังของสตินี้ไม่มากพอที่จะให้มันอยู่นานได้เพราะมีแรงผลักดันออกมาแรงที่ผลักดันใจออกมาก็คือการมาตัณหาการมาฉันทะความอยากในรูปเสียงกิน ที่เราเข้าสมาธิกันยากเพราะเพราะเรามีแรงต้านจากการมาชันท่ากามาันท่าอยากจะพักติดให้ไปหารูปเสียงติดรถให้ไปดูนั่นนี้กับไปทมนู่นนี่าใไปดื่มนั่นไปอะไรอย่างนี้กันดี่าพอมันนั่นมันก็เลยรู้สึกอึดอัดขึ้นมามันเกิดการต่อสู้กันระหว่างแรงของสติกับแรงของการมาชันท่าั้าเราฝึกสติให้มีกำลังมากมันก็จะสามารถกดกำลังของการมาชันท่าไนดะ้ มันทํำให้จิตนิ่งสงบได้ช่วงขณะหนึ่งไม่ว่าคณิกาสมาธิพอเราได้คณิกะสมาคณิกาสมาธิแล้วเราจะเห็นความวิเศษของความสงบความมาสัจจานใจมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีอะไรมาประสมมาก่อนนั้นตั้งแต่เกิดมามันจะไม่เคยเจะความสุขแบบนี้มาก่อนถึงอมันจะเป็นแค่ช่วงขณะฟ้าแลบหัวแลบนั้นก็ตามันจะทําทให้มีความเพียรพยายามแล้ว ที่จะฝึกสติให้มากขึ้นเพราะมันรู้แล้วว่าตัวที่จะทำให้จิตเข้าสมมความสมบได้ก็คือตัวสตินี่เองนี้ก็จะเพียนทำสติมากขึ้นมากขึ้นเพียรพยายามหาที่สงบหาที่ไม่มีอะไรต้องทำที่จะทำให้เราเจริญสติได้ง่ายถ้าต้องมีภารกิจบางทีบางทีต้องเกี่ยวข้องคนนั้นคนนี้มันก็จะเถล่นสติได้ง่ายอันนี้ก็คือหลักการของการภาวนา ขั้นตอนให้เราพอวนาะให้ได้จิตรวมเป็นอคติกะแล้วก็เป็นอภปนาตนามลำดต่อไปก่อนยังเราชํานาญส า, ามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วก็ไม่เสื่อมไม่ถ้าเราไปทาอะไรอย่าง อ, างอื่นบางทีเดี๋ยวเสื่อมได้ถ้าเราไม่ขอรักษาสมาธิที่เราทำํำไม่ต้องทำใจข้ามเราเป็นความมั่นใจ ว่าเราสามารถควบคุมความคิดสามารถสั่งให้จิตลวมให้เข้าสู่ความสงบได้ตามที่เราต้องการหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงค่อยออกมาจริญปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอยาก่างให้เห็นเป็นตายละให้หมดเห็นว่าเป็นอนิจจังของชั่วขา้าวเป็นอนัตตาเราควบคุมมันครับมันไม่ได้มันจะหมดเมื่อไหร่เราก็ห้ามมันไม่ได้ พอสิ่งที่เราให้ความสุขกับเรามันหมดไปมันก็จะกลายเป็นมันจะทาให้เราทุกข์ขึ้นคนที่เราออกย่องอายก็สูญเสียสิ่งที่ทำให้เขาไม่ความสุขเ พ, เพราะมันเป็นอนิจจังคนที่ไม่มีสติไม่มีปรรัญญาก็ไม่ก็ไม่ไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความสูญเสียกับความสิ้นสุด ข, ของสิ่งที่ตอนไหนลพะพอสูญเสียก็เป็นเศร้าโศกเสียใจ แต่ถ้าเีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจอยู่นี้ยเาจะสูญเสียสิ่งที่รากไปมันก็จะไม่เศร้าเพราะมันรู้มันต้องเกิดขึ้นอันนี้ปัญญาอันนี้ไหว ท, ทีหลังเร า, เาถ้าเรายังไม่มีไม่มีสมาธิหรืไม่จะรู้ว่าจะต้องจากกันเมล่อเาจากกันเย็นๆก็ร้องอดที่จะร้องห่มร้องให้ไนมะ่ได้ว่าอารมณ์มันแรง อาจารย์ครับได้ยินว่าอย่างหลวงตาองค์หลวงตานี้ท่านใช้พุทโธพุทโธรัวหไปใช่ไหมครับพรอาจารย์ครับในการฝึกสมถะครับก็ไม่ไม่แน่ใจเพราะท่านก็เราอาจจะไม่ได้ฟังเพียแต่ท่านก็พูดว่าให้ใช้พุทโธองค์ท่านเองก็เคิดว่าท่านก็ใช้พุทโธเพราะว่าท่านมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านไปทํากรดอยู่ด้วยอันหนึ่งพระธุนงค์นี้ต้องมีกรดนีะท่านไม่ยอมทํำกรดกันเอง ไปเหาไม้เอาไม้ไผ่มาเหลามาทําเป็นร่องแล้วมาผูกมามาถักมาแย็บมาอะไรนั้นถ้าไม่ได้ภาวนาถ้าไม่มีสติอยู่ีมาพูดโทษเลยอยู่กับเรื่อการทำกฎอย่างเดียวยาจจดจ่ออยู่ข้างว่าทำกฎพอเวลามานั่งสมาธิเข้าไม่ได้นะนี่เมื่อก่อนนั่งสมาธิเข้าได้ตนอะตอนนี้มันเข้าไม่ได้นะ mm hmm. ก็พิจารณาไปว่าอ๋อเราไม่มีพูดโทษ ท่านเลยก็กลับมาจะมาพุโทโธตลอดทั้งวันทั้งคืนพอมีพุโทโธตัองวันทั้งคืนอย่างต่อเ น, นื่องพอท่านนั่งสมาธิก็กลับเข้าสู่สมาธิได้ได้เป็นแนวทางในก่อนเข้าพรรษานี้แล้วครับอาารย์ครับสติตัวนี้เนีพุทธเจ้าบอกสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติภาวนาจิตาภาวน า, า, วนาทั้งทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนาต้องมีสติ คอยคุมถ้าใช้ปัญญาไม่มีสติเดี๋ยวเมื่อเทเทชัยอยากเรื่องปัญญากลายเป็นเรื่องกิเลสไปได้อย่ายวไม่รู้สึกตัว <Okay. S 1> ต้องฝึกสติจารสติสตินี้ทําเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายใหญ่กว่าปัญญาใหญ่กว่ญญาสมาธิใหญ่กว่าวิมุตติเพราะธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีสติเป็นผู้นำถ้าเปรียบเทียบสติเหมือนรอยเท้าช้าง ใญ่ก็รอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่ในป่ารอยเท้าซ่าชามนี้สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หดนี่คือความสำคัญขอสติดังการศึกษาสติปัฏฐานสูตรได้ใ น, นเข้าใจหลักการของการปฏิบัติตามสติปัฏฐานสูตรนี้จะเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการจ ะ, จะเจริญสติจเจริญภาวนาสมถะภาวนาหรือปัสจัยภาวนา อในสถิติประธานสีนี้สอนอยู่ทั้งสามสามขั้นคือขั้นสติขั้นสติแล้วขั้นปัญญาขั้นสติก็หมายถึงขั้นสติกับสมาธิเจนอาณาปณะสติเมื่อนายสมาธิแล้วก็ไปเจริญปัญญาพิจารณากายก่อนว่าไม่เที่ยงเป็นไตรลักเป็นนิจจังแล้วก็พิจารณาวิทนาว่าเป็นไตรลักษณ์จะไม่เที่ยงเป็นอนัตตามาควบคุมมันกไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันเที่ยง เราก็ถ้ามันไม่เป็นไปต า, ามที่เราอยากเราก็จะทุกข์แล้วก็ไปปฏิบัติไปไปพิจารณาจิตคือกะอารมณ์ที่อยู่ในจิตธรรมอารมณ์ต่างๆว่าไม่เที่ยงเหมือนกันจนกระทั่งปล่อยวางกายได้ปล่อยวางเวทนาได้ปล่อยวางจิตได้ก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได้สติปัฏฐานนี่้จะสอนเรื่สสองวิ ัญญาทางด้านระดับของสัญญาติสัญญาติสุดนี่เลยกายเวทนาจิตเนี่นครับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนบ้างนะครับคุณสรันประ ก, ร, ร, ก, ร, ณกรณ์ครับกราบดําริสการครับถ้าเรานอนหลับแล้วเราไม่ฝันหมายความว่าเรามีจิตสงบใช่ไหมคะก็อตอนนั้นมันก็สงบมันก็ไม่ฝันแต่ไม่ได้ไหมายความวมสงบแบบสมาธิ ชันเหนื่อยจากความคิดปรุงแต่งมันก็เลช่วงหลัะมันก็เล ย, ล ม, เลยมันก็เลยหยุดปุงแต่งเพราะม่ ม, มีเหตุการณ์อะไรที่จะมากระตุ้นให้มันคิดปรุงแต่งในตอนนั้นคุณพิสิทธิ์ครับในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปลดไปโปรดพระมารดาบนเทวโลกชั้นดาวดึงในมูลโลกเป็นเวลาสมเดือนหรือหนึ่งพันสาไม่ทราบว่าในเทวโลกเป็นเวลาเท่าไหร่ครับ เราไม่ทราบเหมือนกันว่าในเทวดาเขาวัดเวลาอย่างไรก็เราก็ถือหลักของเวลาของของโลกเราเหมือนกันเราตอนนี้เราก็ถือเวลาของประเทศไทยเราไม่ไปสนใจตอนที่เวลาประเทศจีนเวลาเท่าไหร่มันก็เรื่องของเขาเราอยู่ในโลกนี้เราก็ว่าไปตามเวลาของโลกนี้คือพระเจากก้ามาเข้าเข้าฌานทุกคืนเนี่ยท่านสอนเทวดาทุกคืน ด้วยการใช้ อ, ใชอุปจารสมาธิสมาธิที่ที่มีอภิญญาที่สามารถติดต่อกายที่ได้คืออุปจารสมาธิท่านก็ใช้อุปจารสมาธิเวลาที่ท่านติดต่อกับพุทธมารดาสอนทาให้กับพุทธมารดาคุณวันเพ็ญครับกับเรียนถามเรื่องมีโลดในอริยสัจครับ คือลูกเข้าใจว่าเป็นความสลับทิ้งกิเลสเป็นความสละคืนร่างกายเมื่อแตกดับสู่ธรรมชาติและปล่อยวางไม่ให้เกิดปัญหาจะเป็นทางดับทุกถูกไหมครับไม่ใช่ครับนี่ลด่าวการการการหยุดทางานของทุกคือคือปิดสวิตช์ของทุกอ่ะเสมอมเราเปความทุกพอเรามีนี่รดทุกสบายว่าความทุกที่เรามีอยู่หายไปนี่นนี่ร การหายไปของความทุกข์เช่นเราไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพอเราเห็นว่าเหตุที่ทำเราสบายใจเพราะความอยากให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราปลงได้ว่าอเรื่องนั้นเ่องนี้เราควบคุมบังคับไม่ได้มันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปเราก็หยุดความอยากพอเราหยุดความอยากนั้ความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หายไปอันนั้นหลักในวันนี้โราการหายไปของความทุกข์ ที่มีอยู่ในใจเราแต่มันมันมันมีการหายแบบมันเป็นขั้นขั้นมนเลื้องเลื้งไปเพราะว่ามันมีตัวที่ทำให้ใจทุกข์อีกสิบตัวด้วยกันครนี้สังโยชน์สิบเราก็ละสังโยชน์ไปที่ละตัวสองตัวความทุกข์ก็หายไปแต่ละตัวสองตัวเราละสังโยชน์ใน้หมดทั้งสิบตัวความทุกข์ก็หายไปหมดในใจเราก็จะไม่มีความทุกข์ลงเลยต่อไป าจากพี่สมพรครับการปฏิบัติที่แท้จริงคือการเริ่มจากสมาธิตัดกิเลสด้วยตัวรู้แล้วพยายามหยุดความคิดปรุงแต่งตัดกิเลสให้ขาดไปเป็นเรื่องๆไปคิดอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเริ่มต้นก็ต้องฝึกสติเพให้ได้สมาธิเพื่อใจแล้มีกำลังหยุดกิเลสได้ เมือยุดแล้วท่านต่อไปก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าตัวไหนเป็นกิเลสและทําทไมเราต้องหยุดกิเลสเพราะเราจะเห็นว่าตัวกิเลสมันเป็นทําให้เราต้องไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆคุณมาริสาครับเพียนถามพระอาจารย์เรื่องของความเครียดและมีความวิตกกั ง, งวลของคนในยุคปัจจุบันเจ้าค่ะหนูคิดว่าถ้าได้อยู่ร่วมกันกับคนพวกนี้อันดับแรกคือต้องทําใจเจ้าค่ะ บางคนคิดมากจนอยู่กับตัวเองก็ไม่มีความสุขและส่งผลเสียต่อสุขภาพกายเป็นโรคอุปทานคิดว่าตัวเองป่วยอยากขอข้อธรรมจากพระอาจารย์เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจเจ้าค่ะคราวที่ดีเสียก็อย่าไปยื้อใครดีกว่าอยู่คนเดียวเลยมั้เพราะว่าถ้าเรายังไม่มีกำลังไม่ไม่มีสติปัญญาพอเราอยู่ใกล้ไฟเดีย๋ยวไฟไมันก็ไหม้เราได้ ให้เรามองว่าคนเรานี่เป็นเหมือนไฟที่จะคอยเผาเราเอนนยู่เรื่อยให้เราเห็นเขาแล้วเราไปทุกกับเขาเนี่ยสเสร็จแล้วเขาเขาเป็นไฟนะแล้วเราไม่มีพลพุ่มกันเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขาให้อยู่กับบัณฑิตผู้ชอบหลบที่ไปอยู่กับคนโง้อคนง้อที่สร้างเรื่องปัญหาต่างๆขึ้นมาให้เราทุกกับเขาเนี่ยเราอย่าไปอยู่ใกล้เขา แต่ถ้าเราเวลาเราต้องอยู่ไห้เขาเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเป็นผูมพป้มกันคอยเตือนแล้ว่าเขาเป็นระนาตาเราไปควบคุมเขาไม่ได้อย่าไปอยากอย่าไปหวังอะไรจากเขาให้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาสมพรครับสมาธิมีเป็นช่วงๆต้องปฏิบัติอย่างไรให้มีสมาธิเข้มแข็งขึ้นครับก็ปฏิบัติบ่อยๆเนี่ย ช่วไหนเราปฏิบัติมันก็ได้ช่วงไหนไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติจริงๆนี่จะทําไม่ไม่ทําอะไรเลยขันสมาธิจะเรียนยงกองกันั่งสมาธิอย่างเดียวออกจะสมาธิมาก็ยอนยงกองรักเจริญสติควบคุมสร้างสติขึ้นมาใหม่พอมีสติพอก็กลับมานั่งใหม่เข้าสมาธิใหม่เข้ามาทั้งวันทั้งคืนเวลาหลายหลายรอบกลับเรียนผ่ามพระอาจารย์ครับ การทำสมาธิโดยพิจารณาลมหายใจว่าเมื่อพิจารณาลมหายใจไปจนเป็นสมาธิแล้วเมื่อนานเข้าเวทนาจะชัดมากกว่าลมหายใจสามารถเปลี่ยนการพิจารณามาที่เวทนาแทนลมหายใจเลยจะถูกต้องไหมครับและพิจารณาไปจนกว่าเวทนาจะดับลงจนเข้าสู่อัปปนาสมาธิหรือควรพิจารณาลมหายใจต่อไปโดยไม่ต้องพิจารณาเวทนาจนกระทั่งลมหายใจละเอียดจนกระทั่งลมหายใจดับลงเข้าสู่อัปปนาสมาธิ เคยทำได้ทั้งสองวิธีแต่ไม่แน่ใจว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะการพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นหลังจากที่พิจารณาลมหายใจก็ไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะเข้าครับก็ได้สองวิธีนะวิธีที่ดูลมอย่างเดียวก็เลยก็เป็นวิธีหนึ่งเรียกว่าสติอบลมสมาธิใช้สติดูลมไปวิธีที่สองดูพิจารณาเวทนาว่าเป็นตายรักได้ ทำให้จิตสงบได้ก็เรียกว่าปัญญาของสมาธิแล้วแต่เราจะใช้วิธีไหนก็ได้ถ้าใช้รูปแบบปัญญาได้ก็จะดีได้จะได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยคือเราจะได้เข้าใจธรรมชาติของเวทนาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาต่อไปคุณมาริสาครับบุญคือความสุข คนมีบุญมากคือคนที่ทําบุญกุศลมากส่วนคนที่ทุกมากคือคนที่ทําบาปมากจริงไหมครับก็ถูกแต่นอกจากนอกจากการทําบุญแล้วมันก็มีการรักษาศีลการภาวนาด้วยที่เป็นไม่ใช่เป็นการทําบุญทำทานอย่างเดียวส่วนความทุกข์ก็ไม่ได้เกิดจากการทําบาปอย่างเดียวความที่ก็เกิดจากกิเลสเนื่การมีกิเลสมากก็ทุกมาก โล่มากก็ทุกมากอยากมากก็ทุกมากมันไม่ใช่อยู่ที่บาปกับบุญอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่การทําทานทําบุญกับทําบาปเท่านั้นที่เป็นสุขเป็นทุกข์ให้กับใจบุญไม่ยังมีอยากการการการภาวนาแล้วก็บาป ก, ก็ยังเกิดจากการมีกิเลสมีความโลภความโกรธความห คุณสมพรครับถ้าเราเจริญสติได้ความปรุงแต่งก็จะลดน้อยลงการเจริญภาวนากับการเจริญสติจึงเป็นเรื่องเดียวกันเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถ้าสมาธิสมถธิภ า, าวนาก็ถูกต้องแต่ถ้าวิปัสนาภ า, าวนาก็เป็นการเจริญปัญญาการพิจารณาตายรับอันนี้นก็อีกเรื่องหนึ่งมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเราเจริญสมภาภาวนาก็คือการเจริญสตินี่ แต่เมื่อเราได้เราได้สมาธิแล้วได้เราสามารถควบคุมใจให้หยุดคิดหยุดหยุอยากได้แล้วขั้นต่อไปก็ไปศึกษาปัญหาปัญญาดูว่าอะไรบ้างที่เป็นไตรลักษณ์ก็ให้พิ จ, จารณาร่างกายเวทนาและและจิตต่ตอไปแล้วก็ที่เราจะได้ไม่ไปทุกข์กับร่างกายไม่ไปทุกข์กับเวทนาไม่ไปทุกข์กับจิต คุณดวงนภาไทยครับการเปลี่ยนถามพระอาจารย์ค่ะจตาริอุริสายุคานี้อัฏฐาปุริสปุขคาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษโยมอยากรู้คําแปลที่มากกว่านี้ครับก็สีบุรุษก็คือพอระฤาษีขั้นสี่ระดับด้ยกันพระโสดาบันพระสกิรดาคามีพระนาคามีและพระอรหันต์นี่คือสี่บุรุษนะก่อนที่อยากมาเป็นสี่ มาเป็นพระโสดาบันได้ต้องผ่านขั้นขั้นที่เรียกว่ามรรคก่อนโสดาปฏิมรรคต้องดำเนินต้องศึกษาวิธีที่จะทําให้เป็นเป็นพระโสดาบันก็เหมือนกับนักศึกษาที่จะจบปริญญาตรีนี่ก็ต้องศึกษาสี่ปีก่อนถึงจะได้ปริญญาตรีผู้ที่ต้องการเป็นพระโสดาบันก็ต้องปฏิบัติรรมคือศีลสมาธิปัปญญาระดับของพระโสดาบันก่อนกาน มีศีลมีสมาที่มีปัญญาระดับของพระโสดาบันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญมรรคให้เขาเลยเอาผู้ที่กําลังเจริญมรรคมาเป็นเป็นคู่กับผู้ที่ได้บรรลุผลเพื่อพระพระโสดาบันก็นเลยเป็นคู่ไปก่อนที่จะเป็นผลได้ต้องเป็นมิต้องมีมรรคก่อนต้องเจริญมรรคก่อนเหมือนการมิสิท น, นักศึกษาก่อนจะได้ปริญญาตรีก็ต้องเป็นนิสิทธิก่อน นี่สิอยู่สี่ปีได้ก่นถึงจะได้เพราจะเขาจับคู่กันก็เป็นคู่คู่ไปทั้งนั้นในคนาีจก็คือคนคนเดียวกันนี่แหละคนที่กําลังคนที่ยังไม่ได้บรรลุโสดาบันกำลังเจริญสติสมาธิปัญญาพอรักสังโยชน์สามข้อทำข้อสอบสามข้อได้จบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้พอได้ขั้นโสดาบันแล้วก็ไปทำข้อสอบของขั้นสกิทาฐานการนาคามีต่อไปซึ่งมีสองข้อ ถ้าทําได้ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้บรรลุขั้นที่สองคือพระสกิราคามีถ้าทําได้น้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ขั้นที่สามคือพระอน า, าคารมีระหว่างที่ทําข้อสอบก็เรียกว่าเป็นการเจริญมรรคผู้ที่ทําข้อสอบอยู่ยังไม่ได้เป็นผู้บรรลุแต่ก็มาจับคู่กันไว้ก่อนจะบรรลุได้ต้องทำข้อสอบก่อนการทําข้อสอบก็เรียกมรรคพอบรรล พอบรรลุผลก็เรียกพอบรรลุธรรมก็เรีกผลเป็นผู้บรรลุผล ก, ผลก็เป็นรับผลหนึ่งคู่ไปเป็นสี่คู่ด้วยกันเป็นแปดบุรุษไปมันจัเป็นแค่สี่บุรุษเท่านั้นแต่เขาไปแปลว่าเป็นแปดบุรุ ษ, รษครับคุณมาริสาครับคนที่ฟุ้งซ่านทําให้แก่เร็วและสุขภาพไม่ดีเป็นการมันเป็นเพราะเขาส่งจิตออกไปวุ่นวายกับเรื่องภายนอกไม่ได้เอาจิตตั้งไว้อยู่กับกาย ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ไม่รู้จักวิธีรักษาความสงบของใจหรือสติไม่ปัญญาเองคุณสมพรครับการเจริญสติต้องทำอย่างจริงจังใช่ไหมครับคนบางคนดูมีความสงบนิ่งแม้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแต่เราจะสัมผัสถึงคนที่มีจิตเป็นสมาธิจิตนิ่งแสดงว่าคนคนนั้นมีการเจริญสติมาอย่างดีใช่ไหมครับถูกต้อง คุณประชาครับฝึกสมาธิมาหลายปีล่าสุดเมื่อโกรธก็ใช้สติค้นหาเหตุที่ทําให้โกรธเป็นครั้งแรกที่พบเหตุจริงที่ทําให้โกรธไม่ใช่เหตุที่ต้องโกรธรู้สึกมหัศาจรรย์มากความโกรธหายคิดว่าเป็นการใช้ปัญญาขณะที่สติดีใช่ไหมครับใช่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้สาเหตุของความโกรธว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากของเราเนี่ยพอเราอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธขึ้นมา คุณสุครับยอมเข้าใจว่าปลายจิตมีหลายดวงเกิดเกิดดับดับเพราะอวิชชาเป็นเหตุและต้นจิตที่เป็นของเดิมแท้เมื่อสิ้นอวิชชาแล้วเป็นจิตหนึ่งถึงนิพพานพ้นจากขันห้าจึงเป็นจิตดวงเดียวถูกไหมครับคือจิตนี่ก็เหมือนหลอดไฟฟ้าที่เราเปิดอยู่ใช้อยู่ในบ้านเนอะเวลาเราเปิดปิดมันก็เหมือน ก, มนก็มันก็เปลี่ยนไปไฟสวา่างไฟไฟดับไฟมือดอ่างนี้ มันก็มันก็หลอดไฟอันเดียวกันนี่แะจิตแล้วก็เหมือนกันจิตแล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามสิ่งที่มาสัมผัสกระทบมันเป็นปัจจัยทําให้มันสุขบ้างทุกข์บ้างทําให้มันดีใจเสียใจสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างนี่ก็คืออาการต่างๆของจิตดวงเดียวกันนี้แหละแล้วถ้าเราปัญหาของของจิตก็คือที่มันหุ่นวายมันทุกข์ก็เพราะเพราะมันมีกิเลสปัญหาทำนั้นเองกิเลสตัญหาโมหะวิชชา พอเราใช้การปฏิบัติธรรมาชำระ ก, กิเลสตัณหาไปได้จิตนั้นก็จะเป็นเป็นจิตที่นิ่งที่สงบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะไปเรียกวจิตยงเดียวก็ได้ไมันเป็นยนงเดียวมาตลอดัแต่มันยังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจัจจัยต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาไปไปปรุงแต่งไ ป, ไปไปมีการรับรู้เร่างในกาศหรือปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆ มันทำให้จิตมีการเปลี่ยนไปเปลี่นมามันเป็นจิตตัวเดียวตัวงเดียวเท่านั้นการมันมันสามารถเปลี่ยนไปเหมือนกับเป็นจิตหลายดวงขึ้นมาคุณศพรครับโยมชอบคิดนู่นนี่นุยน้นนั่นนี่จนบางทีตัวรู้ก็ห้ามไม่อยู่แค่รู้ว่าความคิดกําลังเตลิดเปิดเปิงต้องทําอย่างไรให้หยุดความคิดได้ครับ หรือว่าให้สักแต่รู้ว่ากําลังคิดไม่ต้องไปมีความอยากให้ไม่อยากคิดครับถ้าคุณใช้ใช้สักแต่ว่ารู้ได้ก็หยุดมัน ไ, ได้ก็ใช้ไปสิถ้ามันไม่หยุดก็ต้องใช้พุโทโธใช้คําบาลิกกรรมใช้ประการสวดมนต์อะไรอย่างไดอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อใมันไม่ให้ใจเราไปคิดถึงมันเพราอเรามันไปคิดถึงมันมันก็จะหยุดคิดเองให้เราอยู่กับพุโทโธพุโทโธหรืออยู่กับบทสวดมนต์ไป คุณแคทครับการนั่งสมาธิเนื่องจากเราอายุมากเจ็บเข่าแล้วนั่งบนเก้าอี้แทนมีผลทําให้เราการทําสมาธิแล้วมีสติได้ช้ากว่านั่งแบบขัดสมาธิหรือไม่เจ้าคะไม่เกี่ยวกันละการมีสติไม่มีสติไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งของเราสตินี่อยู่ที่การฝึกว่าไม่ฝึกฝึกมากฝึกน้อยฝึกสติมากเราก็จะมีสติมากฝึกสติน้อยก็จะมีสติน้อยนัย้นพยายามฝึกสติให้มาก ฝึกทั้งวันได้ช่วงที่เราไม่นั่งสมาธินี่เราควรจะฝึกสติตลอดเวลาอยู่กับพุโทโธและอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปคุณคุณกล้องครับกลับเรียนถามครับพักหลังจู่ๆมีความรู้สึกผุดขึ้นมารู้สึกเบื่อหน่ายร่างกายเบื่อหน่ายความเป็นตัวเราล่าสุดพอเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาหนูลองนิ่งและพิจารณาไม่ทราบว่าทําถูกไหมครับ คือการเบื่อนี้มันมีการเบื่อแบบแบบของกิเลสเหมือนกันางทีกิเลสมันก็เบื่อร่างกายเขาต้องมาคอยรับใช้ร่างกายคอยคอยมาดูแลร่างกายทําอะไรต่างๆแต่พอเวลากิเลสอยากจะใช้ร่างกายขึ้นมามันก็หายเบื่ออยากจะใช้ร่างกายพาไปหาความสุขต่างๆมันก็เลอะมันจะหายเบื่อได้ดังนั้นเบื่อแบบนี้มันยังไม่ได้เสียเาเบื่อแบบนิบิดาเบื่อแบบทางธรรม เมื่อเวลาทธรรมนี่ก็คือเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นแต่ของทุกข์อย่างนมันจะเบื่อทุกข์เพราะต้องเลี้ยงก่อนเล้เลี้ยงมันต้องต่อสู้กับภัยต่งางๆเราก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายยิ่งแก่มากยิ่งจะเห็นความทุกข์มากขึ้นยิ่งเบื่อร่างกายมากขึ้นนี่เห็นด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นด้วยอารมณ์ คุณสมพรครับถ้าเราต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเราจะใช้เวลาช่วงไหนพุทโธครับหรือว่าพุทโธตอนที่เราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครจิตว่างจากสิ่งรบกวนจึงพุทโธยามว่างเข้าใจอย่างนี้พอจะถูกทางไหมครับคุณจ้องถ้าเราต้องเกี่ยวข้องกับคนเราก็พุทโธไม่ได้เพราะเราต้องเราต้องคุยกันต้องทักทายกันอะไรกันแต่ถ้าเราต้องการจะรันพุทโธรเราก็ต้องหาเวลาที่เราว่างไม่เกี่ยวข้องกับใครอยู่คนเดียว แั้ก็จะเจริญพุโทโธได้จเจริญสติได้คุณมาริษาครับอยู่ต่างประเทศเวลาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะใช้วิธีโอนเงินไปให้ญาติที่ไทยทำบุญทำทานให้ก็ได้บุญอยู่แต่เรายังขาดความเพียรเพราะเราไม่ได้เป็นคนถวายเองใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์อัไนมั็นก็เพียรนดน้อยเท่านั้นความเพียร น, น้อยไม่ไม่ไม่ไม่ถือเป็นประเด็นสาคัญเท่าไห คุณสมพรครับยุคดิจิตัลโยมยอมรับว่าสมาร์ทโฟนขโมยความสงบเอาไปเยอะเลยออกจะมีการเสดติดสมาร์ทโฟนแบบไม่รู้ตัวไม่ต่างจากคนติดบุหรี่ด้วยซ้ำแสดงว่าโยมยังมีสมาธิต่ำไปใช่ไหมครับต้องแก้อย่างไรครับก็ใช้โทรศัพท์แบบไม่มีภาพเอาไว้สำหรับโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนคุณปัญญาครับ บริกา ร, รพุทโธทำโมสังโคได้ไหมครับได้การบริกรรมนี้สามารถเลือกได้พุทธท า, างสานันกฉามิก็ได้ทำบังสานันกฉามิสั่งบางสานันกฉามิก็ได้แล้วแต่เราก็จะพอใจหรือจะสวดบทยาวอินทิปิซโสไปก็ได้หรือสวดสติปัฏฐานสวดไปทั้งส่วนก็ได้เป็นสมัยที่เราฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆนั่งแล้ว ด, ดูลงไม่น่าแล้วก็นั่งสวด ส่วนจิติประธานสูตรไปในใจแต่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ทำได้ความหมายด้วยความเข้าใจด้วยท่องมันเวลาท่องวิชาเตรียมตัวสอบอย่างเงี้ยวิชานี้มันจะต้องท่องทั้งเล่มก็ท่องทั้งเล่มเลแล้วเวลาออกมามันจะต้องตอบได้ทุกข้อเลยใช่ไมถ้าท่าท่องท่องท่องหนังสือได้ทั้งเล่ม น, น, นมันก็อเอาคําถามมาจากหนังสือด้วยนะ ก็เหมือนเอาเอาหนังสือก็้าห้องสอบดีๆนี่ยกาที่เรามีคามจำดีอาจารย์เราท่องนานไหมประมาณสี่สิบนาทีแล้วกว่าจะจำได้นานไหมครับอาจารย์ก็ไม่นานเนี่ยก็พยายามท่องไปเรื่อยๆตามเรื่อยๆตอ๋อครับแล้วก็ใช้เวลามา ไ ม, ไม่เอาเวลาไปทําอย่างอางื่นมามาท่องมาอ่านมันก็ศึกษาไปในตัวเรื่เข้าใจความหมายด้วยแล้วก็ท่องไปด้วยทําไปด้วยเพเห็นว่าเห็นว่ามันดีเวลาอ่านหนังสือธรรมะท่องท่องหนังสือธรรมะนี่มันใจมันเย็นมันไม่มันไม่ฟุง้งมันไม่มึนวายแต่ไม่จะไม่สงบนี่เป็นสมาธิมันก็มันก็มีสติในระดับที่ควบคุมความคิดความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกิน่นทอนได้เนระดับ ไ่เห็นคุณค่าประโยชน์ของการ่านหนังสือธรรมะของการจดจำเหมือนมันพระปาติโมกอย่างนี้ก็ได้สติมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ก็สี่สิบนาทีนั่งพระปาติโมกเรียนสองอยี่สิบเจ็ดข้อแต่ท่านอาจจะไม่ได้ปัญญาเพราะว่ามันเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าแต่และข้อมีข้อห้ามอย่างไรเพื่ท่องเป็นภาษาบาลีได้ เรามาจบแปถึงจะเข้าใจเราจึง ท, ทาหนังสือพสุกเป็นภาษาไทยห้าห้าพศุกไงก็จะได้ได้ปัญญาถ้าอยากจะท่องก็ท่องเป็นภาษาไทยไปเลยก็ได้เองท่องมงคลสามสิบแปดข้อห น, นี้ยจะ ไ, ได้เข้าใจว่าสามิบปดข้อ น, นี้ยนะไม่พบคนพาคบบังดิติบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะบาลีเราไม่เป็นภาษาไม่ใช่ของเรา เราท่องไปแล้วเราไม่ได้ปัญญาได้แต่ได้แต่สติได้แต่สมาธิคราบคุณสุวรรณีครับการสวดมนต์จริงๆแล้วคือเป็นพิธีการที่ทําต่อๆกันมาแต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่มีการสวดมนต์จริงหรือไม่ครับคือการสวดก็หมายถึงท่องข้ะสูตรเนี่ยแต่ไม่ได้มาทําวัด น, นั่งนั่งทําวัดไหว้พระสวดมนต์อย่างที่เราทํากัน การทำมาของท่านก็คือท่านเดินจะก้มนั่งสมาธิหรือท่านจะสวดก็ท่านก็สวดประสูติที่พระเจ้าได้ส่งแสดงไว้แล้วก็ามาจดจําเพื่อเพื่อประโยชน์สองลัปนประโยชน์ของตนก็คือจะได้เกิดปัญญาได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสอนอะไรประโยชน์แก่ส่วนรวมก็คือเราจะได้อนุรักษ์คําสอนของพระพุทธเจ้าไว้แต่เมื่อก่อนไม่มีหนังสือไม่มีเครื่องมัดก็เลยต้องอาศัยความจําของของพระที่มาบวชกัน พระก็จะมาท่องพอูตรต่างๆกันเพื่ออนุรักษ์ไว้หลังจากที่พระเจ้าตายก็จะมีการสังฆทานาเรียกพระที่มาที่สวดพระสูตรต่างๆเหล่านี้มาทบทวนกันว่าลงกันไหมผิดตรงไหนถูกตรงไหนแล้วนำพระที่เป็นพระอรหันต์ห้าร้อยรูปมามาไป็ผู้ทบทวนกันจะได้แน่นยับเพราะพระอาหารหันต์จะรู้ว่าไหนถูกกันไหนไม่ถูกครั้งแรก จนมีการสักการะนาสอนของพระเจ้าสามเดือนหลังจากที่พระเจ้าสเสด็จนิพพานไปแล้วมีผ้าหลังห้าร้อยรูปผู้ที่ได้กล้ชิดได้ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรัมจากพระพุทธเจ้าและได้จดจําคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบ้าพรรษาด้วยกันที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมนี่ก็มาไลายย่ลงไปตั้งแต่ธรรมจักไปเลยธรรมจักกับปวทธรรมนัสสุไป จนจนครบแล้วก็แล้วก็มีการรับรองว่าถูกต้องตรงไหนไม่ถูกก็แก้ไขขึ้นไปสักรานาไปอย่างการสวดมนต์ในสมัยก่อนเป็นการสวดเพื่อนหนึ่งเพื่อเพื่ อ, อจดจําคําสอนของพระเจ้าซึ่งเป็นปัญญาความรู้สองเป็นการฝึกสมาธิเป็นการเจริญสติปรียกตัวสเป็นการอนรุวักคําสอนของพระเจ้าไว้ไม่ให้สูญหายไปไม่ให้จาง คุณรังสิต ม, มาครับบางขณะจู่ๆจิตก็เกิดปรามาสพัตนาไตรขึ้นมาใจรู้ว่าเป็นสิ่งนี้ไม่ถูกต้องก็กราบขอเข้ามาแต่อยากให้ไม่มีความคิดนี้เกิดขึ้นมาต้องใช้วิธีหรืออุบายอะไรครับก็บอกว่ามันเป็นความคิดที่มั น, ม, นมันไม่ถูกต้องเ่คอยสอนใจค่อยปลามใจว่า พ, พ, พระพุทธพระัลตนาไตายนี้ท่านเป็นสิ่งที่ประเสริฐอาจจะเป็นเพราะเราไม่ศึกษาเราไปศึกษาพรระัตนาไตรหรยยือว่าท่านเป็นอะไร พระพุทธเจ้าเป็นใครพระทําคําสอนเป็นอะไ ร, ะไรภาริยสงสารลุกเป็นอะไรก่อนที่จะท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะมาทำมั น, น, นรเรนะื่องการเสริฐ่มาสอนว่าเราได้ในท่านต้องเดินเหนืยเวลาขนาดไหนยากยิ่งกว่าเป็นปีนภูเขาหิมาลัยอยิงนะปีนภูเขาเอเวอเรสต์ถ้าเราคิดอย่างนี้ลนะท่านถึงเราถึงจะเห็นความประเสริฐของท่านแล้วเราจะไม่กล้าไปปรามาท่านอีกต่อไปเรามันเป็นใครเราเป็นวิเศษขนาด ที่เราจะไปกล้าปรามากคนที่เขาปิ่นเขาให้ว่า์เรสได้งั้นเรากล้าไปป่ามากคนที่เขาที่เขาได้เลือกเป็นประธานาธิบดีได้เลือกเป็นนายกเพราะธรรมธีร์เราไม่กล้าไปป่ามากรเขาเราเพราะเรารู้ว่าความสามารถของเราไม่ถึงไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราปรามาตพระรัตนนาตายนะเพราเรามองไมขึ้นมาเองว่าพระรัตนนาตายเป็นอะไรมันก็ยังไม่รู้เลยแต่ถ้าเรารู้ความวิเศษความสามารถ ของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับเราแล้วนี่มันเหมือนกับฟ้ากับดินนะเราก็จะเป็นกล้าฟ้าบ้านติดต่อไปคุณประชาครับเข้าพรรษาปีนี้มีเป้าหมายจะนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงและวันพระสองชั่วโมงคิดว่าเป็นการสั่งสมอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีถ้าจัดเวลาทําได้แล้วนั่งสมาธิน า, นานจะมีปัญหาอะไรไหมครับ ไม่ง่ายจะมีเนะการปฏิบัติมันเป็นในแต่คุณมีประโยชน์ทำให้ใจเราสงบมีความสุขคุณจ่าเอกครับผู้ครองเรือนสามารถบรรลุโสดาบันได้ไหมครับได้ทั้งนั้นนะนะไม่ว่าจะเป็นผู้ครองเรือนเรื่องดังบุญ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ไหมครับว่านักบวญจะเป็นผู้สามารถบรรลุโสดาบันได้ทุกองก็ไม่ใช่อนยะ่างไงมันอยู่ที่การปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่การเป็นนั้งบุญและเป็นคาลวา่า เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจว่าเป็นคาหรือว่าไม่เป็นทักษบวตให้สนใจว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ครบร้อยได้หรือเปล่านั่นแหล่ะคือตัววัดการจะเป็นพระระยะบุคคลคุณมาริษาครับการสวดโพชฌงเจตทําให้สุขภาพดีจริงไหมครับเราไม่เคยสวดเราไม่สามารถตอบได้เวลา แล้วเวลาเราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเอ้ยมันพูดไม่ถูกสุขภาพดีก็สำหรับเราเราเชื่อหมอมากกว่าหมอบอกให้กินดีอยู่ดีนอนหลับพักผ่อนหลับนอนออกกำลังกายมีอารมณ์ที่ดีจะได้สุขภาพดีเราไม่ไม่เคยสวนพูดชงครับ <c oughs> ไม่ตอบไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อาจารย์พูดครบทุกข้อเลยครับสุขภาพดีทกท่าน <c oughs> นั้นส อ, อข้อใช่อาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีอุจจระดีขับถ่ายดีพักผ่อนดีอะไรพวกนี้นก็มีทุกข้อคุณสมพรครับช่วงเขา้าพรรษาสารหบูชาเราควรต้องปฏิบัติธรรมกันอย่างไรครับ ใช่คือการเจริญภาวนาเจริญสติตามที่ได้สนธนาธรรมะในเวลานี้อยู่ใช่ไหมครับบางวันเขาก็มีในสัตว์ชีกให้ปฏิบัติทั้งวาันทั้งคืนเลยอที่ก็มีในสัตว์ชี้กันก็ถือว่าเป็นวันสําคัญต้องบูชาพระเจ้าในการปฏิบัติบูบบชาอย่างเต็มที่เลยไม่นอนอเลยหนึ่งหนึ่งวันกับหนั่งคืนคุณทิศรัตครับ เข้าพรรษาถือศีลแปดอยู่บ้านได้ไหมเจ้าค้าจะได้บุญเท่ากับอยู่ที่วัดไหมครับคือศีลมันอยู่ที่ใจเรารักษาที่ไหนก็ได้แต่ยากง่ายมันอยู่ที่สถานที่ที่บ้านบางทีมีคนกินข้าวเย็นเดี๋ยวเขาชวนเรากินข้าวเย็นแล้วก็อาจจะอดไม่ได้ก็ต้องไปกินข้าวเย็นกับเขาเพราะงั้นจะทําให้ศีลเราขาดได้แต่ถ้าเราไปอยู่ที่วัดที่ไม่มีใครกินข้าวเย็นก็จะไม่มีใครมาชวนเราไปกินข้าวเย็น แต่ถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราใจแข็งพอเวลาได้กินอาหารช่วยมาเราก็ไม่หิวล้วก็ไม่ไปกินอ น, นี้ก็ก็รักษาได้แต่เพียงแต่ว่ามันยากง่ายต่างกันเท่วนี้คุณจิราพรครับเพื่อนเก่าที่ไม่เคยมีน้ำใจกับการจู่ๆเราเรามาสร้างความเดือดร้อนรู้สึกขัดเคืองแต่ก็ต้องช่วยด้วยภาวะจำยอม จะใช้หลักธรรมใดที่จะหยุดพ้นจากความแค้นเคืองใจจิตเศร้าหมองค่ะก็ให้มีความเมตตาเนี่ยคุณเจ้าบอกให้อภัยเขาในสิ่งที่เขาทาไม่ดีกับเราอย่าไปถือโทษกดเครีแล้วก็ให้สงสารเขาให้เมตตาเขาเวลาที่เขาทุกยากหนึ่งร้อยก็ช่วยหนึ้อเข้าไปตามตามอัตภาพของเราไปคุณมารีรัตครับโยมพอเย็บผ้าได้บ้าง อยู่ใกล้วัดก็มีพระเอาอังส่มาให้เย็บบ้างซ่อมแซมบ้างโยงหยิบต้องแบบไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกเพีแต่ว่าโดยธรรมเนียมนี่จะไม่นิยมให้ผู้หญิงมาแต่ต้องของที่เป็นของพระเครื่องใช้ของพระต่างๆแต่ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บาปไม่บาปแต่อย่างไรคือมาแต่ะต้องนี่เขาเขากลัวว่าจะไปอยู่ใกล้ชิดพระจนเกินไป ให้มาล้างบาดให้ท่านมาซักจีวรให้ท่านที่ปติอะไรอย่างนี้อย่างนี้การแบบไม่ไม่ไม่เหมาะภาพปฏิบัตินี่ท่านจะเย็บผ้าของกัานเอท่านซักผ้าของท่นเองท่นาทนนึ่งในห น, หนึ่งมนึ่งใอัตถบริขานก็คือเข็นก็ได้เรู้จมัเนี่ยสำหรับซ่อมจีวรซ่อมอังส่าเวลามันขายก็มีเข็นก็ได้ไว้ซ่อมให้ทําเองงานตรงนี้ในภาพสมัยนี้อาจจะไม่ขยันพอภาษาโยมทําให้ คุณสมชายครับขออนุญาตถามคำถามครับทําตามรูปแบบเช้าเย็นศีลเป็นอัตโนมัติจิตรวมแล้ ว, จ ว, ลวจเจริญปัญญาเห็นกิเลสดับทุกควรดูหรือทําอะไรต่อครั บ, บดับกีเลสให้มหมดทุกตัวเนี่ยถ้ายังมีกิเลสตัวไหนลงแล้วยีบก็ดับไปให้หมด <c oughs> อยากได้รากก็ตัดมันไปอยากได้ยอดก็ตัดมันไปอยากได้รางวัลก็ตัดมันไปอยากหาความสุขจากรูปเสียงเกิดแล้วก็ต้องตัดไปให้หมด คุณประพาพรครับอารมณ์นิพพานมีสภาวะอย่างไรเจ้าคะก็เหมือนกับสมาธินี่แหละเพียงแต่ว่ามันถาวรมันไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดสงบตบาดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิคุณแพทครับเพื่อฝึกสติเราควรท่องพุโทโธตลอดเวลาแล้วหากเราท่องในขณะเข้าห้องน้ำจะถือเป็นการลบหลู่และไม่สมควรหรือไม่ครับ ไม่หรอกเพราะเป็นการปฏิบัติบูชาเป็นการกระทำเป็นการปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติท่านสอนให้พวกเราปฏิบัติทุกปีริยาบทของการเคลื่อนไหวของการกระทําของร่างกายแมกระนั่นขับถ่ายก็พุทโธได้เป็นทายะส่งเสียงดังหนึ่งให้เจริญภายในใจคุณอังหนุนเปรี้ยวครับหากมีสติปัญญาน้อยควรพัฒนาอย่างไรเพื่อให้มีสติปัญญามากขึ้นและเฉียบแหลมเจ้าค่ะ มัน <asthma> ต้องการฝึกสติให้มากแล้วถ้าทางปัญญาก็คิดด้วยเห็นด้วยผลอย่าคิดด้วยอารมณ์สิ่งนี้เกิดเพราะเกิดเพราะมีเหตุทําให้มันเกิดอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีเหตุเช่นลูกเกิดมาได้ก็เพราะมีพ่อมีแม่ให้คิดตามเหตุตามผลฝนตกมาลงมาได้ก็เพราะว่ามีมีเมฆอยู่บนท้องฟ้ามากมันก็กลายเป็นฝนแล้วเมฆมาจากไหนเมฆก็มาจากน้ํา น้ำที่มันถูกความร้อนระเหยขึ้นไปเป็นเป็นไอ้น้ําขึ้นไปแล้วเกาะเป็นเป็นเป็นตัวเมฆขึ้นมาเนี่ยมันก็โอดคิดแบบนี้คิดได้วยเห็นได้วยผลมันมันเป็นเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยปัญญานี่ก็คือวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นเรื่องเหตุของผลเพียงแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาจะเกี่ยวกับเรื่องรูปประธรรมเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องแต่ทางปัญญานี้มันเกี่ยวทั้งนามธรรมด้วยซึ่งไป็นของละเอียดกว่า เราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเราอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไม่ได้เราก็ทุกข์อยากจะสอบเข้ามหาลัยพอเราสอบไม่เข้าเราก็ทุกข์เราก็เสียใจคุณออนอาน์ครับโยงเคยได้ยินคําสอนว่าเมื่อเจริญสมถาภาวนาจนได้สมาธิที่มีกําลังแล้วให้ถอยออกมาเดินปัญญาคําว่าถอยออกมาเดินปัญญาหมายถึงเราต้องออกมาจากการนั่งสมาธิ คือสมถะภาวนาแล้วมาใช้ปัญญาใช่ไหมคะเพราะเราไม่ได้ต้องการแค่ความสงบนิ่งๆคําว่าถอยออกมาหมายถึงไม่ได้อยู่ในกิริยา น, นั่งสมาธิแล้วใช่ไหมครับก็แล้วแต่บางกรณีที่เราทำไปนานๆแล้วกอาการเจ็บปวดขึ้นมาทุกเวทนาเกิดเราก็เอามาพิจารณาทุกเวทนาทางปัญญาได้พิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเราก็คุมบังคับมันไม่ได้มันอนิจจงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเองจากทุกข์เนี่ยมันก็กลายกลายเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ไปนอกจากไม่สุขไม่ทุกข์ไปเนี่ยมันก็เป็นสุขได้ข้อสาคัญก็คือเราอย่าไปจัดการกับมันอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะถ้าเราอยากแล้วมันไม่ได้มันทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ต้องการทุกข์เราก็ต้องปล่อยเวทนาคืออยู่กับมันไปมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปมันจะสุขก็ปล่อยมันสุขไปโอยที่เราไม่มีความประยาด ทุก็ไม่ได้ปรยัดให้มันหายสุดก็ไม่ได้ปรยัดให้มันอยู่ไปันานๆปล่อยให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติอันนี้เราทําได้ในขณะที่เราทําสมาธิการนั่งรรนากนๆการเจ็บปวดขึ้นมาส่วนใหญ่จื่นจะออกมาแล้วอยากให้มันหายเจ็บพราะมันหายเจ็บใจแล้วก็ทรมานดังนั้นต้องมาแก้ความอยากให้มันหายเจ็บด้วยการพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราควบคุมมันคับมันไม่ได้สร้งให้มันหายไม่ได้เมื่อไม่หายมันก็อยู่ของมัน เราอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการออกมาเจริญปัญญาในขณะที่เรานั่งสมาธิในเรื่องนี้อย่างอื่นนี้เราก็รอให้ออกจากสมาธิก่อนมนเดินจยกงแล้วพิจารณาฉะนั้นถ้าอยากจะพิจารณาอสุภาษอย่างเนี้เราก็พิจารณาในท่าเดินจยกมก็ได้ในท่านั่งสมาธิก็ได้แต่ถ้าเราทําสมาธิเพื่อความสงบ ในขณะที่เราทําพืความสงบเราก็ไม่ควรพิจารณาอยู่ที่ว่านั้นเรานั่งสมาธิเพื่ออะไรถ้าเรานั่งสมาธิเพื่อเจริญปัญญาพราะจิตสงบเราก็พิจารณาทางปัญญาได้แต i, ่ถ้าเรานั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบเราก็ไม่พิจารณาทางปัญญาต้องรู้ต้องรู้เป้าหมายของการนั่งสมาธิว่านั่งเพื่ออะไรนั่งเพือสมาธินั่งเพื่อ คุณสมพรครับยุคปัจจุบันเจริญด้วยเทคโนโลยีแต่ดูเหมือนเป็นการเจริญแบบปัตถุนิยมจิตใจดูเหมือนจะตกต่ำหย่อนยานไปด้วยต้องทำอย่างไรดีครับให้ความเจริญทาง materialism กับ consumerism จะไม่เข้ามาทำลายจิตใจผู้คนเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อก่อนเราไม่มีเทคโนโลยีดิจิทัลอะไรกันแต่ดูเหมือนจิตใจเราจะสงบสุขมมากกว่าในปัจจุบนัน Zz, shorts, อธิบายปรากฏการณ์ในสังคมโลกตรงนี้กันด้วยธรรมะอย่างไรดีครับเพื่อให้จิตใจสงบไม่เสียดึดไอทีเป็นสารณะครับก็ต้อง ม, ม th ีการอบรมธรรมะตั้งแต่เล็กขึ <t <t ้นมาตั้งแต่ป .1 ขึ้นมาเนี่ยคนจะมีวิชาธรรมะทุกชั้นซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีการไม่มีการวิชาธรรมะศิลปธรรมเข้ามาสอนสอนใจมันก็เลยทําให้ใจนี้ไม่มีอ ให้มีพรมคุ้นการกิเลสทนาความรู้ความอยากต่างๆที่มันจะไปทางวัตถุหมดเพราะมันเป็นการมาฉันทะกิเลสคือการมาฉันทะอยากหาผวามสุขอากรูปเสียงกลิ่นรสโดยที่ไม่มีปัญญาที่รู้ว่าความสุขทั้งรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนาจมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอน้าตา เง่นถ้าเราไม่มีการอบรมธรรมะตัต้งตะเด็กมานีพอโตขึ้นมานคนก็จะลุ่มหลงไปกับการไปหาความสุขทำทำวัตถุกันเราจะเห็นว่าอคําสอนทางศาสนานี่มาเป็นอุปสรรคต่อการหาความสุขของเขาเขาจะพยายามล้มล้างศาสนาให้หมดไปเพราะจะได้ทําำลายแบบสบายอยากจะเสดมลายก็เสดได้อยากจะทําบาป ก, ก็ทําได้อยากจะเหน็ชัลลายามานั่นการพนันก็เล่นได้ แล้วโลกก็จะร้อนวุ่นวายกันเพราะใจคนจะเป็นปเรื่องความโลภความโกรธความหลงมากเป็นไปตามลำดับคุณรินน ด, ดาครับลูกสวดมนต์ให้กับคุณแม่ที่กําลังป่วยฟังเวลาลูกสวดมนต์ให้แม่ต้องลงท้ายด้วยเตไม่ใช่เมใช่ไหมเจ้าคะอันนี้มันเป็นเรื่องวิทยากรอะไ น, นี้มันไม่ทราบต้องไปถามพระที่เป็นพระบาลีหรืพระที่หนึ่งทบาลี มีแต่มีมิมีเมอะไรนี่มันเป็นวัยากรนทางภาษาบาลีนีคุณพุทธครับการฟังธรรมสดกับฟังย้อนหลังแตกต่างกันไหมครับเพราะทุกครั้งที่ฟังสดรู้สึกว่ามีกำลังสมาธิมากกว่าทุกครั้งครับอันนี้ก็แล้วแต่เป็นเรื่องอุปทานหรือเปล่าไม่ทราบนี่หรือว่าดูกัรดูฟุ้นวานัดูฟุ้นวานสดคที่ย้อนหลังมันไม่เหมือนกัน มันก็เลยมันอาจจะมีอารมณอย่างนั้นมากับกับเรื่องนี้ก็ได้แต่ผู้ตานำจริงมันไม่น่าจะต่างกันเพราะมันธรรมะอันเดียวกันเนี่องแต่ต่างเวลาที่เราฟังเรื่องนี้ฟังสดก็ตอนที่ฟังสดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดดูมันก็เป็นมันก็เหมือนสดนะแต่เราไปชื่อว่ามันไม่สดจล่ะแต่ธรรมะก็อันเดียวกันคุณปุ้ยครับวันนี้ขอโอกาสถามเรื่องมงคลสามสิบแปด ถ้าเราดำรงตนอยู่ในกรอบทั้ง38ข้อนี้ได้เป็นส่วนมากมันจะเพิ่มพลังในการปฏิบัติไหมคะทำได้อยู่หลายข้อข้อที่ไม่ได้ก็ขัดเกาได้ชีวิตที่มีมงคลคืออะไรครับก็คือความเจริญความสุขความเจริญทางจิตใจแล้วปุถุชนกาไปเป็นพระโสดาบันพระสกิณาคาผ้านาคามก่อนจะจากมนุษย์ถ้ายัางเป็นปุถุชนเป็นมนุษย์อยู่ก็เป็นเทวดาก่อน เทวดาก็ไปเป็นพรหมจากพรหมแล้วก็ขึ้นไปสู่ขั้นอริยบ ad ุคคลขั้นพระโสดาสกิรดาคานาคาและพระอรหันต์ตามดับนี่คือสามสิบสามสิบแปดขั้นของการยกกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นเพราะทำไมตั้งแต่ข้าไล่ลงแต่ข้อแรกขึ้นไปข้อแรกก็เหมือนชั้นปฐมเนี่ยมีชั้นอานุบาลให้รู้จักคบคอนใรู้ให้รู้จัก บุญคุณของผู้มีพระคุณกับเราแล้วก็บูชาพระคุณท่านเหล่านั้นไม่ให้เราเป็นคนอักกตันติยูให้เราเป็นคนมีพระคตันติย์อยู่รู้กโดยการบูชาคุณของผู้ที่มีพระคุณของเราก็ทำในทาจากขั้นแรกไปก่อนแล้วไล่ไปเรื่อยๆพอถึงขั้นไหนเราทําไม่ได้เราก็ต้องพยายามทําให้ได้เป็นศึกษาวิธีทำถ้าถึงข้อที่แล้จะต้องทําอย่างไรบ้างก็ทําไปแต่ละข้อ มันจะพาใหะมันเป็นการปฏิบัติที่สูงขึ้นยากขึ้นไปตามลาดับมันถึงขั้นสูงสุดขั้นที่สาสิบแปดขั้นถึงพนิพพานคุณศรีอ่อนครับเวลาที่คนเรารักเวลาที่คนที่เรารักเป็นทุกข์ร้องไห้เราเห็นเราก็รู้สึกทุกข์กับเขาด้วยทั้งที่ก็รู้ว่ามันคืออนิจจังแบบนี้สติเรายังน้อยใช่ไหมครับขอความเมตตาครับใช่สติเราน้อยไม่สามารถอ่งค้ำ ใจของเราได้ไม่ให้ปีปฏิเิธเยียดสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้เราฝึกสติจนสามารถเข้าอ่าปัญญาสมาธิได้ใจเรานี้จะเป็นเหมืนหินจะรู้สึกเฉยเฉยกรยล่องไห้ก็เรื่องของเขาใายหัวรอกก็เรื่องของเขาเรารู้เฉยเฉยไปแต่ก็รู้ได้คุณมาริษาครับเห็นหลายคนที่ค้าขายทางออนไลน์เขาใช้จิตวิทยาในการพรีเซนต์ตัวเองและขายของ โดนทําบุญทําทานหรือแจกเงินให้กับคนยากคนจนและขายของเพื่อสร้างความร่ำํำรวยให้กับตัวเองและพภพพ้องอย่างนี้เขาได้บุญไหมครับการทําบุญก็ได้บุญแต่ว่ามันเจตนามันก็อาจจะเป็นอของกิเลสไปทําบุญไม่กิเลสมันก็จะทําให้มีกิเลสมากขึ้นได้แต่บุญก็คือบุญเราเราทําไปมันก็เป็นบุญ คุณคามิโอครับพระอาจารย์เจ้าค้าหักเราจะเริ่มสตมิมากๆเวลาเราคิดอะไรมันจะตัดความคิดของเราโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะใช่มันก็ไม่อัตโนมัตนะิเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องการหยุดความคิดไหนไม่หยุดความคิดไหนความคิดไหนที่ไม่ดีเราก็หยุดมันได้ความคิดที่ดีเราก็ปล่อยให้มันคิดต่อไปได้คุณมุกี้ครับ ขอพระอาจารย์เมตตาครับลูกเจริญปัญญาโดยลูกใช้เทคนิคเผาร่างกายตามที่หลวงพ่อสอนมีวันหนึ่งปวดหัวอย่างรุนแรงอยู่ๆก็มีภาพไฟเผาตั้งแต่ศีรษะลงมาตามร่างกายค่ะและที่ปวดหัวก็หายไปเป็นปิดทิ้งแบบนี้เรียกปัญญาเกิดแล้วหรือเกิดนึกคิดไปเองครับมันก็เกิดสตินะแน่นอนเพราะใจเราเพ่ง <c oughs> เพ่งอยู่กับไฟที่เผาร่างกาย จะเป็นปัญญาก็ต่อเมื่อเรารับว่าน้ากายนี้นวันใดวันนี้ก็ต้องถูกเผาการไปที่เท่าเหยแล้วเราไม่กลัวความตายนั่นจะเรียกว่าเป็นปัญญาคุณไทส์ครับขอสอบถามว่าจะทราบได้อย่างไรครับว่าเมื่อเราปฏิบัติสมาธิแล้วเราเข้าถึงสมาธิได้แล้วเวลาปฏิบัติสมาธิไปสักพักจะเริ่มมีอาการง่วงนอนนี่หมายถึงว่ายังไม่เข้าถึงสมาธิใช่ไหมครับ ใช่ใช่ไม่เข้าถ้าเข้าสมาธินี่มันเหมือนกับเข้าไปสู่โลกอันมหัศจรรย์ใจเหมือนเหมือนกับเวลาที่เราเข้าไปไปที่สถานที่แบบว่าเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจแบบนั้นสมาธิก็จะเป็นแบบนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรใจเหมือนกับสิ่งมหัศจรรย์มาศจรรย์ของโลกเนี่ยไปเห็นไอเฟิลทาวเวอร์อะไรเงี้ยเห็นแล้วโอ้ตื่นเต้นไม่ง่วงไม่ไม่ไม่หลับเลยเห็นล้า อันนี้ก็เหมือนกันสมาธิก็บแบบใน น, นนี้เราเห็นของมหัศจัรอย่างยิ่ง <c oughs> คุณเ ป, ปเปอร์ครับเวลาแผ่เมตตามักจะมีความรู้สึกกลัวขึ้นมาจะมีวิธีแก้ความกลัวนี้ไหมครับไม่ทราบว่าแผ่ยังไงเพราะนีการแผ่เมตตาที่มันเป็นการสวดเฉยๆเช่นเี้เป็งงนการสวดบทแผ่เมตตาสวาสัพเพสัตต า, าเวลาหนนดวง เราต้องไม่มีเวรกับสัตว์ทั้งหลายจับปวงความหมายอยู่ตรงนั้นไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการเป็นการเท่าเป็นการจดจําว่าวิธีแผ่เมตตาต้องทําอย่างไรแลเวลาแผ่เมตตาจริงๆต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันเช่น <c oughs> ขับรถไปแล้วใครป่านหน้าเราแล้วก็แผ่เมตตาเับสาทุกษาทุกไปเลยไม่เป็นไรไม่เอาโทษกดเคืองไม่โมโหคุณอยากจะรีบไปก็ไปก่อนก็ได้ นี่เรีว่าแผมเมตตาส่วนเวลาแผ่เมตตาของคุณที่แผ่แบบไหนจึงเกิดความกลัวขึ้นมาเราก็ไม่รู้เองแล้ว ก, กลัวอะไรเมื่อคุณไม่รู้เราก็ไม่สามารถจะตอบได้เมื่คุณเองก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่เาเลยไม่ทราบว่าความกลัวเกิดจากอะไรขึ้นมาคุณสิริลักษณ์ครับ พระอาจารย์คะลูกเพิ่งเข้าฟังธรรมเป็นครั้งแรกลูกขอถามเจ้าค่ะคือได้พับดอก บ, บัวให้ได้ห้าร้อยก ร, รมัมคือพันดอกมีผู้ช่วยอยู่สองคนทั้งสองเมาส์กันกระจายลูกก็ได้ยินแล้วก็ดังแต่ใจก็อยู่ที่เป้าหมายคือต้องพับพยายามให้ได้พันดอกแต่มือกับใจของลูกก็สัมพันธ์กันดีจุจๆ เ, เสียงทั้งสองก็วิ้งหายไปเป็นอะไรว่าว่างวิ้งคือแป๊บเดียวคะ่ะครั้ง ที่สองได้ไปเรียนฝึกดำน้ำครูสอนขั้นตอนการย่อตัววิธีปล่อยลมวิธีการเคลื่อนไหวตัวจูจ่ๆเป็นเงียบวิ้งแต่ก็แค่แป๊บเดียวแบบเป็นการได้สติใช่ไหมคะรู้สึกว่าชั่วสบายจังแต่ตอนนี้ได้พยายามนั่งสมาธิยังไม่ได้เลยครับเอจะได้แบบจ ะ, จะเรียกว่าคณิกะสมาธิก็ได้แบบมันอ่อนๆใจสําหรับชั่ววูงใจปล่อยวางว่างเย็นสบาย แต่พอมานั this, this, Or, this, on start, ่งสมาธินี้มันอาจจะเป็นอยู่ที่ปัญหาเราเราไปเจ้ามันอยากให้มันสงบมันไหนไม่สงบแต่เวลาที่เราทํางานนี่เราไม่ได้ไปคิดถึงความสงบว่าอยากจะให้มันสงบในเวลานั่งสมาธิพยายามนั่งแบบที่เราทํางานทําพับหลักม้าก็พับไปโดยที่เราไม่ได้ไปหวังว่ามันจะสงบแล้วไม่สงบให้อยู่กับงานที่เราทำเวลานั่งก็ให้ดูอยู่กับลมหายใจเป็นงานที่เราทําอยู่และพูดโธอยู่ อย่าไปอย่าไปคาดถึงความสงบที่จะตที่จะเกิดขึ้นอย่าไปอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะเมี่เรานั่งแล้วเร า, เ, ร า, เ, ราเกิดบาว่านี่เรานั่งสมาธิแล้วมันเราต้องสงบมันก็เลยทําให้เราคาดเราเก่งเราคิดถึงความสงบการนี่อยู่กับพุทโธแล้วก็ไปกังวที่ว่าเมื่อไหร่จะสงบสักทีนี่มันก็จะไม่สงบถ้านั่งสมาธิคา อ, อยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไป ก, กังวลเรื่องความสงบว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น คุณคามิโอครับพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกเคยมีเรื่องเสียใจสะเทือนใจในคําพูดของลูกหลานเลยบริกรรมพุโทโธตลอดเวลาที่นอนเป็นชั่วโมงๆเกิดอัศาจรรย์ที่ใจมากค่ะคือพอตื่นมาความทุกข์หายทิ้งไปหมดเลยค่ะเหมือนกับความสะเทือนใจในตอนนั้นไม่เคยเกิดขึ้นพอเกิดความทุกข์หรือว่ามีอารมณ์โกรธอะไรก็ตามก็จะใช้คําบริกรรมแบบนี้ตลอดแบบนี้ลูกทําถูกต้องไหมครับถูกต้องในว่าเป็นการใช้สติหรือสมาธิระงับจากความทุกข์แบบชัว่วคราว แต่ทุกครั้งที่ไปเจอลูกหลานพูดแบบสะเทือนใจก็อาจจะทุกข์ขึ้นมาอีกก็ได้วิธีที่จะทําให้ไม่ไม่ทุกข์แบบถาวรก็คือต้องใช้ปัญญาต้องยอมรับความจริงว่าบุคคลต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆนี้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะพูดอะไรถ้าเราปล่อยให้เขาพูดไปไม่หวางอะไรจากเขาเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อ คุณมาลีครับงานที่ทําคือช่วยให้เด็กๆ เ, เรียนรู้อย่างมีความสุขแม้ได้ค่าตอบแทนบ้างแต่ความตุ้มเท ม, มากไปจนเหนื่อยหนักทั้งวันแทบไม่ได้พักผ่อนและมีความเจ็บป่วยมาเยือนหลายครั้งเราควรทําอย่างไรจึงจะลดความอยากทําให้ดีที่สุดเจ้าคะก็พ่าจะสอนให้เลือกทางสายกล า, างท่านเปรียบเทียบเหมือนกับสายพินเนี่ยถ้าเราเคืงมั่ตึอนกินไปมันก็ขาดถ้ามันหย่อนกันไปก็ก็ เสียงไม่ฟังไม่ดูเรียบเราต้องหาจุดพอดีจุดกำการไม่ไม่ไม่มากเกินกำลังของเราแลวก็ไม่น้อยกว่ากำลังของเราที่เราจะทำได้หาห า, หาทางสายการให้เจอคุณใครพบครับจิตที่หลงจึงจมไปกับกิเลสทำให้จิตทุกข์แต่เมื่อได้ยินพระธรรม พระธรรมและทราบว่าที่จิตกําลังทุกนี้มาจากมานคือกิเลสไม่ใช่เราจรึงทําให้จิตคลายการกอดรับทุกได้สามารถเรียกว่าเป็นปัญญาได้ไหมครับได้ระดับความทุกได้ถ้าว่าความทุกเราเกิดจากกิเลสแลเราลากกิเลสได้มันหยุด ก, กิเลสได้แล้วก็หายทุกได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญา คุณสมพรครับสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลีในการสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะเราจึงมีธรรมะที่มีภาษาต้นทางเป็นดังบาลีเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องอ <c oughs> าจารย์มีคุณหมีฟ้าบอกว่าอยากให้หลวงพ่อลงศาลาฉันทุกวันแบบแต่ก่อนชอบตอนหลวงพ่อเทศในศาลาฉันครับตอนนี้มันเป็นนั้นุจาร์สลานการมันเปลี่ยนไปแล้วต้องการเราเป็นเหมือนกับ รักษาการเจ้าวาอยู่แล้วก็เลยนมได้ทุกวันะแต่ตอนนี้มีเจ้าวาดตัวจริงท่านมาแล้วก็เลยต้องเปิดช่องให้ท่านเป็นผู้แสดงธรรมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีญาติโยมมาช่วงเสาร์อาทิตย์วันหยุดวันช่วงนั้นเราก็เลยเปิดทางถอยออกมาให้ท่านได้แสดงธรรมท่านจะได้เป็นหัวหน้าเพราะโดยทําโดยธรรมเนียมพระที่เป็นหัวหน้าจะเป็นผู้ที่ให้สีได้ก่อนแสดงธรรม ถ้าเราเราอยู่เป็นหัวหน้าท่านก็จะแสดงธรรมมันก็ไม่สวยงามเราก็เลอไถอยถอยตัวออกมาให้ท่านเป็นหัวหน้าคือท่านพรรษาอ่อนกับเราแต่ท่านมีตำแหน่งสูงกว่าเราครับตำแหน่งทางโลกเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นตำแหน่งทางโลกครับคือเป็นการแต่งตั้งกันมาแต่อานุพรรษาท่านน้อยกว่าเราอันนี้เป็นทางธรรมมุโสธรรมธรรมแต่อ่อนทางโลก ก็เลยต้องมีการอาลมกเอาวยกันไปวันวันที่มีญาติโยมมาวันเยอะก็ให้เราก็ถอยถอยตัวออกมาเอว่าชั้นที่กุติแต่ได้ท่านได้เป็นหัวหน้าท่านก็ได้แสดงธรรมปลดญาติโยมได้คุณสุวรรณีครับ ถ้าแบบนั้นการสวดมนต์ควรท่องพระสูตรที่เป็นภาษาไทยดีกว่าบทสวดอื่นๆเพื่อให้เข้าใจธรรมได้มากยิ่งขึ้นจะดีกว่าหรืออย่างไรคะถูกต้องเนีนอาหนังสือพระสูตรไปที่ที่พิมพ์ที่คุณหมอพิมพ์แจกไปเลยหรือถ้าจะสวดมนต์ก็สวดคําแปลแทนก็ได้แต่เราต้องสวดคนเดียวนะไปสวดกับคนอื่นก็ไม่ได้ว่าคนอื่นก็จะสวดสวดภาษาบ้าลนนีกัน แต่ถ้าเราอยากจะเข้าใจความหมายของบทที่เราสวดอย่างนี้หนังสือส่วดไว้ก็มีคําแปลอยู่อยู่ด้วยแทนที่เราจะสวดบาลีแล้วก็ไปสวดคําคําแปลได้บางสํานักเขาให้สวดทั้งสองอย่างเลยแต่มันจะเชื่องช้ามันจะมันจะยืดยากสวดบาลีคำหนึ่งแล้วช่วงหนึ่งแล้วก็มาสวดคําแปลช่วงหนึง่งมันก็ไม่ตัดมันก็ไม่ต่อเนื่องกัน คุณมาิกาครับการมีสติให้อยู่กับสิ่งที่ทําอยู่เช่นเดินแปลงฟันโดยไม่คิดออกนอกแล้วถ้าเดินหรือทานข้าวแล้วฟังธรรมด้วยจะถือว่าไม่มีสติไหมคะหรือควร ท, ทําทีละอย่างครับก็ไม่นิยมทําหลายอย่างพร้อมๆกัน เ, นเวลาจะฉันก็ให้ฉันเวลารับประทานก็รับประทานอย่างเดียวเวลาฟังธรรมก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รับไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดูไม่ไม่ไม่ดูไม่ฟังอะไรอย่างเงยให้ฟังธรรมา ทำอย่างเดียวทำเรามักการปฏิบัตินี้เรามักจะทําอย่างเดียวคุณสิริชัยครับขอสอบถามครับผมได้ปฏิบัติธรรมจนละความอยากต่างๆได้บ้างแล้วและวางแผนฮให้ครอบครัวไม่ลําบากเพื่อการออกบวชศึกษาพระธรรมแต่ทางครอบครัวยังไม่เห็นด้วยถ้าผมบวชผมจะผิดไหมครับไม่ผิดครับเหมือนกับว่าพระรเจ้าถ้าพระรเจ้าปรึกษาละทางบ้านก็ไม่มีใครอยากให้ท่านไปบวช ก็เขาฝากความหวังไว้กับตัวพระมุทธเจ้าเพราะว่าท่านมีราศีมีคนทํานายว่าท่านอยู่ต่อไปความลาดจะได้เป็นพร ะ, พระมาหาจากักรพรรดิเขาก็ไม่อยากให้ท่านเปนบวชพอไม่บวชแล้วเขาก็ไม่มีใครเป็นที่ขึ่งพอพระราชบิดาตายไปก็จบเขาก็เลยอยากจะให้พระพเจ้าอ่ต่อจะได้เป็นสืบทอดพระราชราชสมบัติต่อไปแย่พระพเจ้าก็เห็นว่าทางโลกนี่เป็นทางสู่การเรียนไหวต่อ ท่านอยากจะพ้นทุกข์ท่านก็ต้องไปบวชเวลาไปท่านเรา ไ, าไม่ ป, ปรึกษากับใครเพราะรู้ว่าเขาจะไม่ยอมให้ท่านไปบวชเพราะเขายังพึ่งท่านอยู่ยังอาศัยท่านอยู่แต่ไม่ผิดหรอการไปบวชเนี่ยเพราะไปบวชก็ไม่ได้ไปตลอดใช่ไหมหลังจากตัดสลุแล้วก็กลับมาโปรดทางครอบครัวต่อไปพให้ันหนึ่งบวชตามได้บรรลุไปได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจํานวนมาก คุณเอกชัยครับขอทราบวิธีปฏิบัติการถือสินแปดหน่อยครับพอดีช่วงเข้าพรรษาผมตั้งใจจะถือสินแปดครับก็ลองไปคนใน Google ดูว่าสินแปดให้เราทำอะไรบ้างก็มีหนึ่งข้อหนึ่งก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหมือนสินห้าก็สองก็เหมือนสินห้าไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของที่ของที่เป็นของ ท, ที่เจ้าของก็แม่อนุญาตก็สาม แทนที่จะไม่ประพฤติิดประเพณีก็เปลี่ยนมาเป็นไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่เสร็ไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับภรรยาหรือใครก็ตามหรือสามีก็ตามอันนี้จะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีการร่วมเพศกันข้อสามข้อสี่ก็เหมือนเหมือนกับของสี่ห้าก็คือไม่พูดปดข้อห้าก็เหมือนกันไม่ดื่มสุราอย่างเดียวแล้วก็เพิ่มข้อหกเมื่อรับประทานอาหารหลังเทียบวันไปแล้วรับ แล้วก็เจ็ก็ไม่หาความสุขจากการบันเทิงต่างเช่นร้องรบทําเพลงดูภาพยนตร์ดูหนังฟังเพลงหรือไปตามสถานบันเทิงต่างๆเหลนี้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ตัดกายด้วยเครื่องตัดกายที่อะไรๆเพื่อความสวยงามอะไรทำนองนี้การกายแบบเรียบง่ายไม่ใช้น้ําหอมน้ํามันอะไรไม่เปิดไม่ไม่เสริมเสริมความงาม ด้วยการทําหน้าเท้าตาปากอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วข้อที่แปดก็ไม่นอนบนเตียงสารานคือเตียงที่สบายฟูบแล้วนะให้นอนกับพื้นที่แข็งๆปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือ่อเพื่อจะแน่นนอนไม่มากเกินไปเพราะถ้าเานอนบนเตียงที่สบายนี้เวลาล่านกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาเราจะไม่อยากลกอยากอนอนต่อเพราะมันสบาย แตถ้าเร า, านอนบนพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเป้าหมายก็คือให้เราไม่ให้นอนมากเกินไปเพื่อเราจะได้เวลาที่ไปนอนมากเกินไปนไีม้มาให้กับการปฏิบัติธรร ม, มคือการเจริญสตินั่งสมาธิคุณเกาะสมุยครับเราไปทําบุญที่วัดเจอคนที่เคยมีเรื่องบาดหมางใจอย่างรุนแรงน่าจะต้องเจอกันที่วัดนี้อีก จะฝึกจิตยอย่างไรดีครับก็ให้เข้าไปเข้าไปแต่ลืมไปลืมอดีตไปว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วอะไรก็มันก็เกิดขึ้นมาแล้วความเสียหายก็ผ่านไปแล้วเราจะเอามาเอามาเอามาฝังไว้ในใจเราทำไมเ้วก็ยกโทษให้เขาไปแล้วก็เหมือนกับคนที่เราเพิ่งพบกันใหม่ก็แล้วกันครับเรียกว่าแผ่เมตตา คุณเอมซครับกําลังเริ่มฝึกสติท่องอิติปิโสแต่เห็นจิตไม่นิ่งหันไปคิดเอื้องนูน่นนี่คอยดึงสติกลับมาอยู่ที่บทสวดแต่กิเลจะหลอกให้คิดฟุง้งซ่านไปอีกขอคําแนะนํ า, รารครับการทําสมาธิครับก็ต้องพยายามทําทําไปเรื่อยๆอย่างนั้นเราต้องนัง่รนู่แล้วแล้ว่อว่าั่ใจเราไปนู่นไปนี่แล้วก็ดึงมันกลับมาเดี๋ยวกำลังคนสวดไปแล้วตายไปคิด น, นั่งนู่นนั่งนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวสวดไปด้วยคิดนั่งนู่นนั่งนี่ไปด้วยก็มี แต่ถ้าเรารู้เราก็พยายามเดิงให้กลับมาอยู่กับบทสุดไปพยายามเดิน อ, อย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะอยู่เองคุณนิชาพรครับถ้าอยากให้ตัวเองความจําดีทําอย่างไรครับก็ต้องมีสติแล้วก็คอยจดจําคอยคิดถึงเรื่องที่เราต้องการจะจาอยู่บ่อยๆเช่นว่าเช่เรานั้งกับคนดั้นแล้วจะพบกับเขาในเดือนวันวันที่ทนนั้นท่านี้เราก็คิดอยู่ทุกวัน คิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะมันก็จะจําได้ถ้าเราไม่คิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ลืมได้เยธรรมะที่เราฟังอยู่วันนี้ถ้าเราไปคิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะยังจะจำได้อยู่แต่ถ้าเราไม่ไปคิดเดี๋ยวเราไปทํางานไปคิดเรื่องอื่นไปธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้ก็จะหายไปหมดเนั่นการจดจำก็คือการระลึกถึงมันบ่อยๆระลึกถึงเรื่องต่างๆบเรื่องราวที่เราต้องการจะจดจํำในเวลาเราจะไปสอบ เราก็ดูหนังสือเรากเท่าจําอยู่เรื่อยใช่ไหมการจะการจะสอบนี้บางทีติวเข้มเลยไม่ไปทําอะไรเลยเอาเวลามาอ่านแต่หนังสือเท่าแต่หนังสืออย่างเดียวครับเวลาจะได้จำได้วเวลาเข้าไปห้องสอบวเวลาเข้าถามเราได้ตอบคําถามได้คุณรัต ด, ดาครับถ้าเพื่อนปฏิบัติได้พระโสดาบันเราจะสัมผัสดูได้ไหมครับ เขาจะมีอะไรเปลี่ยนไปจากปกติไหมครับไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกถึงแม้เขาบอกเราเราก็ไม่เชื่อครับอังนั้นอย่าไปกังวนกับเรื่องของคนอื่นก็เลยเราอาจจะเราอาจจะสามารถสัมผัสนลำล้ำรู้ในในในความประพฤติของเขเาได้เอ้ยทไมเมื่อก่อนเขาเคยติดเหล้าอย่างนี้เขาไม่กินเหล้านะเมื่อก่อนเขาเคยโกหกอย่างนี้เขาไม่เคยโกหกเลยอะไรทำนองนี้ก็อาจจะสามารถสัมผัสได้ อันนี้เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันท่านจะท่านจะมีศีลห้าตลอดเวลาท่านจะไม่คาดสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่เด็กชราอยา่างเราคุณหลินครับพระอาจารย์ช่วงปฏิบัติสมาธิหนูแยกไม่เป็นรูปรป้ประชานอรูปฌานพอเข้าสมาธิเหมือนเปิดมันปิดไฟนอนชาร์จแบตให้ตัวเองมีแรงเฉยๆเจ้าค่ะเออ อรูปฌานนี้มันละเอียดกว่ารูปฌปานตอนที่เราจะได้อรูปฌปานเราต้องได้รูปฌปานก่อนเอ็นของเรานี้มันแส่วนอนรูปฌปานนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นที่จะต้องต้องเข้าถึงก็ได้ถ้าเราต้องการรับผลนี่ผ่า น, นี้แค่รูปแค่รูปฌานก็พอใช้ได้แต่คนบางคนที่เขาเก่งก็มีสติที่ดีมีกําลังมากสามารถพาให้จิตเข้าเข้าสู่ระดับอรูปฌานได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งเราไม่ต้องการเป็ตัง ว, วังเดียวเราต้องเอารูปประชานให้เราเข้าถึงขั้นรูปประชานให้ได้วดยทำจิตให้รวมนิ่งสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ครับได้รูปประชานแล้วพอแล้วคุณมารียรัตครับโยมก็รู้สึกว่าดูสดเหมือนมีพระอาจารย์อยู่ข้างหน้าเจ้าค่ะก็ตอนที่มัน <c oughs> สดเนี่ย คุณชีตครับจเจริญสติทั้งวันรู้สึกแน่นตึงทั้งวันทั้งทา ง, ท, ง, ท, งที่ไม่ได้เพ่งเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราสติเรายังมีกําลังน้อยกว่ากิเลกกิเลนมันมีกําลังมากกว่ากิเลนมันต่อต้านมันก็เกิดอาการตึงเครียดขึ้นมาคุณพีแอลครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีสมาธิแล้วครับ อ๋อไม่ต้อง ม, ม, มันไม่ตองมันบางเวลามันมีมันไม่ถามใครนะมันเป็นของมหัศจรมากผููดได้ท<ม>ํานี้คุณปูครับการน้ำส ก, การพระอาจารย์ครับเมื่อก่อนเวลากโกรธหรือเสียใจจะดุจะว่าคนที่เขาว่าให้เราแต่ปัจจุบันนี้จะมีความคิดว่าคนที่ผ่านเขาเป็นครูผู้สอนให้เราได้ฉุกคิดว่ามีสิ่งใดที่เราควรแก้และปรับตัวเวลาจะโกรธก็จะบอกตัวเองว่าเขาเป็นครูเรา อย่าไปโกรธเขาเลยเพราะเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นเหมือนเขาจะเจ้าคะ่ะแต่ไม่เคยเข้าสมาธิได้เจ้าคะ่ะแต่เวลาทํางานหรือทําอะไรพอรู้ตัวบ้างว่าทําอะไรอยู่เจ้าคะ่ะแต่ก็ฟังและฝึกอยู่จะบอกตัวเองว่าอย่าเป็นน้ําเต็มแก้วจงฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนแล้วค่อยๆมาลองทําดูพอคลิปว่าเหมาะกันพิสัยแบบนี้ออมไม่ได้ถามครับอาจารย์ก็ดีความพยายามดีนะความสำเร็จดีนะ แล้วเพียนพยายามไปเรื่อยๆเราจากสติก็คือความเพียนเนี่ยเป็นตัวที่จะผลักด้เกิดผลต่างๆขึ้นมามีสติแล้วก็ต้องมีความเพียนเพียนจะเลร้ยสติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆคุณไอวอรีร่บอกว่าพระโสดาบันยังมีความโลภโกรธหลงอยู่ไหมครับมีมีความโลภอยู่ในระดับเอระดับคือยังมีความโลภกับในร่างกายของคนหนึ่นยังรักยังอยากยังร่วมเพศจากเขาอยู่ าเวลาไม่ได้ร่วมเพจก็อาจจะกดได้ยังมีอยู่ต้องผ้าล้างนังนักถึงยังไม่มีความร่วสกนรัลงอยู่นะยอีกสามขั้นที่ต่ำกว่านี้ยังมีความร่วกดลงในระดับต่างๆกันในเรื่องต่างๆกันคุณวินครับเวลาเรานั่งสมาธิรู้สึกว่าจะหนักเปลือกตาตลอดเลยเจ้าค่ะจะแก้ยังไงไม่ให้รู้สึกขมตาคะ่ะขอพอาจารย์เมตตาครับ อย่าไปสนใจสนใจมันจะเป็นยังไงครับเวลานั่งสมาธิให้เราสนใจอยู่กับอารณ์ที่เรากำลังทำอยู่ถ้าอยู่กับพุโทโธก็ให้สนใจอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าดูลมก็ให้อยู่กับลมอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอื่นไปมันไปมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของมันไปพอเราไม่ไปสนใจมันต่อไปมันก็จะหายไป คุณเทพรักษาครับการวิสขการครับเรีนสอบถามวิญญาณรู้กับสมองรู้สมองคิดกับสังขารปรุงแต่งแตกต่างกันอย่างไรครับคือสมองนี่มันเป็นสวยของร่างกายซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ไปคิดว่าสมองรู้ตอนนี้สมองตามหลักธรรมตามหลักกันพูศึกษาศาสตรา น, านี้สมองไม่รู้เรื่องอะไร น, น้องเป็นอาวิทยาอันหนึ่งที่ทําหน้าที่คอยรับ ที่มีทำหน้าที่ทําให้ร่างกายนี้สามารถเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้แต่ผู้ที่สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนี้คือคือใจผู้คิดอันนี้คือใจวิญญาณก็คือผู้โลนี้ก็เหมือนกันก็คือผู้ที่รู้รูปสิ่งกิ่แล้วก็คือวิญญาณก็มาจากใจสังขารความคิดผุกแต่ก็มาจากใจไม่ได้อยู่ที่สม คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ถามเรื่องกายหยาบกับกายทิพย์แยกชั่วครู่กับขอบคุณพระอาจารย์เมตตาตอบและห้าวันถัดมานั่งสมาธิรู้สึกถึงลมแผ่วจนลมหายไปขอคําแนะนําครัอาจารย์ครับก็รู้เฉยๆไปรู้อยู่กับความความว่างไปถ้าไม่มีลมก็อยู่กับความว่างไปความไม่มีลมไปรู้เฉยๆไม่ต้องเปลี่ยนการปฏิบัติก็รู้ต่อไปในสติรู้ไปเรื่อยๆรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้วก็รู้ไป อ, อาจารย์แถบตกข้อนะครับอาจารย์ครับคุณ next เจนครับการสอบอารมณ์ใช้กับนักปฏิบัติแต่ละขั้นแตกต่างกันไหมครับารอาจารย์ที่สอบสอบเพื่อจะให้รู้ระดับหรือเพื่ออะไรครับได้มันก็มีระดับที่ต่างกันข้อสอบมันมีระดับต่างกันอาจารย์ทัานนั้นที่จะเป็นผู้ที่สอบดูสิแล้วก็ต้องสอบแบบไม่ไม่บอกลูกหน้าก่อนถ้าบอกลูกาน้ามันก็จะเตรียมเตรียมทําข้อสอบไว้ก่อน ให้อาจารย์เวลาสอบลูกศิษย์ให้มากจะจะทับตอนที่ลูกศิษย์ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแต่ทาไม่เลิกคิดว่าอาจารย์จ ะ, จ ะ, จ, ะจะสอบแต่ส่วนมากลูกศิษย์จะรู้ว่าอาจารย์ไม่มัากจะสอบตอนที่เผลอให้ลูกศิษย์พยายามที่จะไม่เผลอพยายามที่จะรับเรียวตัวรับกับข้อสอบตลอดเวลาเพื่อให้มีสติคอยดูว่าท่านจะพูดอะไรท่านจะทําอะไรเราดูสิว่าเราจะแก้ได้ไหมแก้สอบข้อสอบที่ท่านถามมาไนดะ้หรือเป ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอข อ, อนุญาตรายงานผลายงานคนฟังนะครับมีใน Facebook 671คนใน YouTube 537คนในคราร h เพา e 12คนวันนี้มีเพื่อนๆฟังทำอยู่ด้วยกัน 1,220 คนนะครับอาจารย์ครับก็ยินจกับทุกท่านยินดีกับทุกท่านที่มีความสนใจเลยทำเพราะความสนใจเลยทำนี้จะนำให้เราได้ไปสัมผัสรถแห่งทาที่ชนะรถทั้งปวง สำหรับคืนนี้ก็คิดว่าการธรรมก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุสำหรับเสียงคืนนี้โอเคไม่ใช่ได้นะดีนะดีมากเลยครับพระอาจารย์ครับเพราะว่าเสียงปกติจะได้ยินเสียงถ้าสุนัขเห่า ไมโครโฟนเนี่ยจะไปจับเสียงสุนัขชัดเจนเลครับแต่วันนี้ยเสียงสุนัขเห่ามันมันเบามากเลยครับอาจารย์ชัดเจนนั่นได้ยินชัดเจนดีใช่ครับอาจารย์ครับอยาจะถามไว้ท่านนึงก็ขออนุญาตนะกับทุกท่านที่ร่วมมือในการถวายไมโครโฟนนี้มาครับก็ิดว่าก็ขอลาท่านผู้ชมและผู้ฟังไว้เพียงนี้ ไม่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ น, นขาดคล้องก็จะได้พบกันอีกในวันอาทิตย์หน้าเช่นเคยคและจะเป็นพอดีขอบคุณพระอาจารย์ครับ